มาวยามม่ม่นะมุ่มั่ิที่จะล้างทุเรนจนถงวามเชสุดถ้าไม่ตั้งชี่อวนัสุดกตจิตจิตมตนี้บนัสุตองด่รถด่วนเลยนะพอเปิดชากเขาวิ่งเลยนะอะมีอะไรไหมมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วครับพ่อจันแ่งดีอีไปไปได้ทำไมไม่ก็ไปได้โอลืมกับกับน้ำมันสก่อนนะครับอพ่อจ ว่ามามีอะไรไหมแม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากับน้ำมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะอ่าทุกทุกอย่างสงบดีนะทุกอย่างสงบดีค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้มีมดื้อบ้างนิดหน่อยค่ะรักษาใจไว้ยอย่างเดียวค่ะช่วงนี้แล้วอะไรก็ได้ใช่ไหม ค่ะช่วงนี้นั่งสมาธิได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์ขึ้นชั่วโมงถึงเกือบชั่วโมงเช้าเย็นบางคืนเขานอนเร็วะค่ะแล้ก็ตื่นขึ้นมาหลังจากสวดมนต์ด้วยกันก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งก่อนนอนทําให้บ่อยทําให้มากที่พึ่งของใจก็คือสมาธินี่ค่ะแม้ว่ามันจะฟุง้งเราก็นั่งไปนั่งไปก็สู้ความฟุง้งโดยการสวดมนต์ไปเรือยบริกรรมไปอย่าไปให้มันฟุง้ง ค่ะพระอาจารย์ต้องขยันสวนบนธัมมันพุงสวนบ <Hey. S 1> น้องปีเคเมื่อกี้เนี่ยสวดได้เลยให้ให้ hey, hey, หลับตาสวดในสมาธินั้นไปเหรอคะพระอาจารย์ใช่สวดในใจไปไม่ต้องออกเสียงค่ะพอรู้สึกว่าช่วงสองสาวันเนี้ยค่ะนั่งได้นานนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันจะฟุ้งช่วงสักประมาณสิบยี่สิบนาทีไปแล้วค่ะพระอาจารย์มันรู้สึกตัวเอา้า ฟุ้งออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อป่ะเออย่าอย่าทิ้งพุทโธถ้านั่งสมาธิหรือดูลมมันต้องมีอะไรผูกใจไว้ออืแล้วมันจะไม่ฟุ้งถ้ามันฟุ้งก็ต้องกลับมาสวดมนต์และกลับมาบริกรรมพุทโธต่ออ๋อก็หลับตาทั้งทั้งทั้งที่หลับตาอยู่ในในท่าสมาธิไม่เ้องมานั่งพับเพียบหรือมาหนองมืออะไรหรอกอันนี้สวดแบบสวดปฏิบัติไม่ได้สวดแบบ แบบประเพณีสถา บ, บันประเพณีเขานั่งพระเพียบกราบไหว้กราบไหว<า>้สวดไปอันนี้สวดแบบปฏิบัติก็เหมือนเป็นคำบริกรรมไปเลยบดส่วดมนต์ก็เป็นคำบริกรรมไปค่ะค่ะอาจารย์เมื่อคืนนี้ลองดูลองประดีนั่งทําสมาธิบนเตียงนะคะข้างๆเขาเวลาเขาหลับแล้วแล้วเพลินมันใกล้ไอ้พนักพิงก็เลยอะลองดูซิถ้าสมมติว่านั่งสมาธิแบบมีพนักพิงนิดนึงจะเป็นไง ปรากฏมันสบายเกินหลับเกือบหลับครับม่นก็หลับค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่เวิร์กแล้วเพราะมันแบบนิ่มๆข้างหลังแล้วมันฟุ้งแล้วมันค่อยๆค่อยๆหายไปเอร์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ออออย่าอย่ามีอะไรเราดีกว่าถ้าเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยจําเป็นงานต้องใช้ไปอ๋อค่ะพระอาจารย์ตอนแรกคิดว่า เออมีผนังพิงมันน่าจะนั่งได้นานกว่าปกติแน่บาคนไม่ใช่อย่าให้มันสบายเกินไปไปฏจ้ัไม่ไม่ต้องมีเบาะนั่งได้ก็ยิ่งดีนั่งบนพื้นแข็งแข็งไว้มันจะได้ตื่นตัวมากกว่านั่งบนที่สบายค่ะจนเมื่อคืนนี้นั่งไปแล้วรู้สึกเอ่อทั้งง่วงนิดหน่อยแล้วก็แต่มันฟุ้งเยอะหนูก็เลยแบบเออเอาไว้นั่งต่อตอนเช้าดีกว่า ม, มั้งมันไม่รู้ว่า พอเวลามันฟุ้งใช่ไหมคะเราก็ใจเราก็อยากจะให้มันสงบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ไม่ไม่ไม่ไม่เข้าสมาธิอะไรเลยอค่อาพยายากให้มันสงบต้องใช้คำอะไรกรรันแล้วใช้การสวดไปอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์จะน้ำหนัก ไ, ไปถ้ามันจะง่วงก็ลองลุกขึ้นมายืนสวดลุกขึ้นมายืนสมาธิก็ได้อ่ไม่มต้องเดินก็ได้ยืนแล้วก็เหมือนแทนที่จะนั่งแล้วก็ ม, ม, า, กมาเดินลุกขึ้นมายืน แล้วก็สวดพุทโธอสวดบิริกรรมไปหรือสวดอะไรไปไดูลมไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์การยินสมาธิจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ในกรณีที่มันง่วงนอนนี่อาจจะช่วยช่วยแก้ได้อค่ะพระอาจารย์จะทดลองปฏิบัติดูเจ้าค่ะจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ดูลมก็ได้ไมหมจะต้องมีอะไรให้ทำอยาอย่า ย, ยุดยเฉยค่ะพระอาจารย์ สามานถทำสมาธิได้ทั้งสามวิญญยณแบเดินยืนนั่งยกเว้นนอนนอนก็ทําได้และแต่มันจะหลับค่ะมันหลับมันหลับเลยค่ะว่าต้องจากมีต้อกจากคนที่ชํานาญแล้วมีสติแข็งแล้วก็นอนสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านี่ยถ้านอนเสี่หาสยญาติเข้าฌานได้อ๋อค่ะได้ค่ะคนที่สติยังไม่ค่อยแข็งนี่ อ่ามันสบายแล้วสติก็หลับก็หายไปเลยค่ะคระอาจารย์ตอนนี้อยู่บ้านลองปิดไฟแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ อ, อยู่ได้ค่ะะอาจารย์แต่ยังยังยังพีมันกลัวไฟเลยผีไม่กลัวเพราะครั้งที่แล้วที่เจอมาทุกทุกไฟเปิดอยู่เขายังมาเลยหนูก็เลยถ้าปิดก็ไม่มีปัญหามั้งเพราะว่าทีเปิดทุกดวงยังเจอเลย ไม่เกี่ยวแร้วผีมันผีจริงไม่หลอกผีจริงก็ไม่มาหลอกร้เสียเวลาค่ะผีหลอกไม่จริงผีหลอกก็คือผีตัวเราสร้างขึ้นมาเองค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะจะน้อมนำไปปฏิบัตินะเ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าแข่แข็งแรงนะคะ่ะน้องเวนเด็ชายเลนมาสวนได้หลอกตาฟังไหมซเซ่เอาแล้วกลับกับพระอาจารย์แล้ว พุโทโธธัมโมสังโฆกับนิมมติ ก, กานพระอาจารย์เจ้าค่ะต้อเรียนแบบกัปนิมมติ ก, กาหลวงตาคับอ่านโมทัสสะพระก็ว่าตัวรหัสตัวธรรสัจุทธสะนโมทาสสก็ว่ตหัสตมสัจุสสะนโมทสพก็ว่าตหัตมพุธสะอรันตมาสโพะกว่าุงอควรวเนี สุปฏิป <watering> ันวะค่ตัวพระาตามสมสุปติปันทุตุสาวสาสาวมมีอิโสเขวอาังสมาวิชาจารและสัมปตโกุฏวนตรุลยสมช้าทีสัถาเทนสพชติรสวะสวตะตรมสันติโกกาลิโกเอปันอิโกะปาโกกตังเนจิตะปุวิจุวิิต สุปฏิปันโนคุตกสาวัตสร้างคนสรานามมามิอุุปฏิปันโนกุตกสราัคสงคนสนามามิกายาปฏิปันโนคุตกสราวัสงคนสานามามิสมีจิปฏิปันโนคุณตกสราวัคสงคนสานมามิยะะจิตังกาลิก็ยะจิตทางสบายยะจิตทางกาลการิเชหิ อัคคะบุเตรเอสะปะควาโตลาลาสขหูเนยยปปาหูเนยยสักเกเนยยอันาชนีแต่ว่านิยอนุจะล้างบนยักษเกตตังรกะสาลติอ๋ออะไรอยู่มุนก็สอนอะไรที่เขาจะได้ทำแล้วเพาเจ้าของที่สุดในเกมจะจุดผู้สอนการแล่นพุคธะด เอาแล้วสร้างรายเป็เมืเจ็บใจด้วยการทำเมื่อที่เจ้อย่างมีอะไรไปได้ไม่ยอมแบบเยสกันเลยรเรกว่าตุก็ต้องตารตัสุดติดตามรื่งภาษาที่เขียนัวนแล้วกเรามีความมีความเจ็าราส่งแลไม่ได้มีคนจีบใครไม่ธรรมจงมีความจบรไปไม่ได้เมีคนตายไม่ธรรมดเรื่องคนตายเป็นไม่ไ เราจะต้องเคยรับจัดของหของเจลือจีจังเลยต้องมีการนะกเป็นของต้วเราจะต้องรับผกับการนั้นมีการเป็นออคอการนที่กำหนึ่เรามีการเป็นกำเหนดแลรามีการเป็นที่เพื่อเาใสเรามีกาเป็นเสาพานเราจะทำกำไรไดไว้ดีหรือจะต้องราพผิดของกำ น, นั้นอาู่ผม ขอเงนคยลี้ยฟ้าหลังเงิกระดูกเงิกระดูกมาหัวใจตับทองคุณใส่ยาเส้ออาหัรไปหันกลุดีน้ำเสลี่น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสรี่ยนน้ำเลืองน้ำเงาน้มันค้นน้าตาลน้ำเหลวน้ำเหลวน้ำลายน้ำลายน้ำหมูน้ำหมูน้ำแข็งน้ำแข็น้ำหมู ดอ่าเก่งมา ก, มากเห็นว่าอ่าในตัวในขนาดนี้ท่องในขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งกับผู้ใหญ่หลายคนนะบอกไปตก็เป็นชาช้าก็าจะท่องเร็วเหมือนเหมือนพี่เขาค่ะไม่เป็นไรเป็นเวทีใหม่ใหม่ค่ะค่ะจวัสดีๆๆสคืนนะครับสวบบัสดคืนไหมครับนักเรียนบอกดวงตาสิจวัสดีคืนไหมครับตอบตอบดวงนตอบตอบดวงตาก่อยสิครับ ไม่ครับ <laughs> อ <Okay. S 2> okay, ือ้าวโอเคโอเคค่ะขอบคุอาจารย์คะแล้วม า, าแล้วตักขาตักขาแล้วกะคะเออครับดูจ้าไปที่จเจาแม่กัจจตที่ต่อ ร, กก ร, รอบคัณธรรมสถานอาจารย์ครับรับสมบัติบ้านครับอันนี้เรือรุ่นโปรเนี่ยครับโปรบานมรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้งพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้อง้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มงพนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือกันบาปเราจะเป็นใครยาก คือว่าเราจะต้องได้รับของกรรนั้นเสียไปเราทั้งหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดแต่ว้นนีเป็นของจริงรับครับแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผึ่ไตปอดไส้ใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่เยี่ยนในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเน่าน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยี่ยนในสมองศีรษะ อาหารก็าอาหารใหม่ไส้น้อยไส่ใหญ่ปอดไตมะเฟือตตับหัวใจม้าวยันในกระดูกกระดูเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมมีเราอยู่ในตัวนี้ในร่างกายแล้วเปล่าไม่มี ค, ครับอเราไม่ได้เป็นร่างกายนะครับเราเป็นผู้ใช้ร่างกาย เจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นเหมนคนรับใช้เราอย่าไปยุตดดิกับร่างกายเพราะร่างกายจะต้องแก่เจ็บตายครับอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอ่ไม่มีกไปที่น้องทีมต่อครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอ่า น, น้องทีมมีอะไรจะมารายงานไหมการนมัสการค่ะพระอาจารย์ ไม่มีเลยครับเออแค่มีแค่อาีินี้นัสมาธิได้ชั่วโมงสิบสี่นาทีครับกี่วันหกวันหกวันครับวันสาอยูดหนึ่งวันนะวันเสารวมันดีอะไรนะมันมีอะไรดีนะครับมากสุดของรอบนี้ได้สิบสี่นาทีครับสิบสี่นะโอเคพยายามเพิ่ม้นไปเรื่อยๆด้วยค่ วันนี้เขาเขามีอยู่วันหนึ่งเขาลองลองอ่ไม่ได้ตั้งเวลาที่ไม่ได้ฟริกซ์เวลาที่สิบสองนาทีอะค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะลองแบบเหมือนนั่งเองดูค่ะโดยที่ไม่ได้ฟริกซ์เวลาแล้วปรากฏว่าเอเขานั่งไปได้ถึงสิบสี่นาทีอะค่ะอาจารย์ก็เป็นครั้งแรกนะคะแต่หลังจากวันนั้นก็กลับมาสือสองนาทีแล้วก็แบบว่าอาจจียงไม่ค่อยนิ่งค่ะแต่ไม่มีวันหนึ่งก็ก็ถือว่าก็โอเคว่ะค่ะอาจารย์พยายามรักษาไว้เนี่เคยได้สิบสี่แล้วก็อย่า อย่าให้มันน้อยกว่าเสบซีนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้จะได้หรือเปล่าค่ะพระอจารยก็เดี๋ยวเราอยู่ที่คารตั้งใจถ้าเราตั้งใจก็ทําได้ <c oughs> อย่างพระพุทเจ้าจะจะตั้งใจจะจะตัดสโลกก็ได้ตัดสลูถ้าไม่ตั้งใจก็ถอยเข้าไปไม่กล้าออยู่ที่ความตั้งใจเป็นสํำคัญการการะทำอะไรจะสําเร็จไม่สาเร็จอยู่ที่การตั้งใจของเรา แต่กังใจแล้วไม่ยอมถอยไม่ตายก็ไม่หยุดเล ย, ยไมันต้องทําเร็พระอาจารย์ที่ฐานอา่าพรอาจารย์กล่าขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะที่วงตาวันนี้หนูไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคขอให้พระอาจารย์ท่ า, านไขขึ้นง่าเจ้าค่ะสาธุที่น้องทีตาน้องพีน้องพีไม่ให้น้องทีขอเทษ าา ก, กาวัตกรรมค่ะให้เวลาอาทิตยนั้นน้องพีค่ะหลวงพอสบายดีนะคะจะสบายดีจ้ะมีเมอพอดีวันนี้วันเกิดพอดีด้วยค่ะเกิดแม่แล้วเกิดรูกเกิดแม่ค่ะอือย่ากเกิดดีกว่านะเกิดแล้วต้องตายนะใช่ค่ะไม่อยากเกิดแล้วเบือ่อเบื่อนะมากปัญหาของเราก็คือการเกิดเนี่แหละ ถ้าไม่เกิดไม่มีคนในโลกนี้โลกนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยอพอมีคนขึ้นมาเกิดแล้วมีกิเลสส่งมาไปกันใหญ่เลย ใ, ในของกิเลสทั้งนั้นนั่นของโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แล้วก็แข่งแย่งกันทะเลาะกันตีกันทำร้ายกันออยา่าไปโทษใจเลยโทษ โทวพวกเราเนี่ยที่มาเกิดกันอยู่การเกิดได้แล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาการไม่เกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่เราอยู่แบบไม่มีร่างกายนี่ก็อยู่แบบมีร่างกายหมือนคนมีรถกับคนไม่มีรถเนี่ยคนไม่มีรถสบาดป่ะไม่ต้องมาคอยดูแลรถ ก็จ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าประกันจ่ายค่าซ่อมจ่ายอะไรต่างๆมีแต่ค่าใช้จ่าย <c oughs> อ่ามีแต่ทุกมีร่างกายก็ต้องเลี้ยงมันเนี่ยเลี้ยงลูกคนหนึงหนหเหนื่อยมเหนื่อยค่ะก็ะว่ายากอยู่ค่ะอืว่ายากยากว่ายากจนเหนื่อยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดแล้วก็เข้าใจบางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจ เอ่ยเหนื่อยแต่มีหน้าที่สอนไปก็สอนไป<ห>จดจำไว้ตามไปใหญ่คำว่นเกิด น, นี้สุดอย่ามีโลกนี้สุ ด, ไ, ดไม่มีดีนะคะมีแล้วก็ด<ม>ีมีอะไรไห ม, มเสียงที่ที่หนูเคยถามหนูพ่อไปวันที่หนูไปจับบาทเนี่ยค่ะเราจะคือเราจะปิด แบบไม่ให้ได้ยินเลยได้ไหมค่ะไม่ได้หรอกถ้ามันมีหูมันต้อมันก็ต้องมีเสียงมันก็เข้ามาก็หัดรับรู้กเสียงทวกอย่างมันไม่เป็นปัญหาตัวเสียงนะคะคือกิเลสเราไม่อยากจะฟังมันเลยอย่าไปไม่อยากฟังมันนะไม่อะไรก็เฉยๆไปเสียงอะไรก็ฟังมันไปหัดชอบมันซะถ้าไม่ชอบก็หัดชอบมันพอชอบมันทนี่ก็อยากจะฟังมันเรื่อยๆ มันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะฟังอย่างที่เไม่ก <laughs> ็เราเราปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์เพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์เทนนเ่นั้นแหละอ่าิ้คอยวิ่งนี้มันอนะ่ะแสดงว่าเราไม่เป็นตัวของเราเองถ้าเราเป็นตัวเราเองเราต้องสู้ได้ทุกอย่างอะไรจะเข้ามานี่ใจเราสู้ได้หมดนะเพนกกิลเลสเราไม่ยอมสู้เท่านั้นเอง แต่ใจมันสู้ได้หมดทุกอย่างแต่เกิดจะดับจะไปแก่จะตายจะใครจะดา่าใครจะชมนี่ใจมันสู้ได้หมดเองแต่กิเลสมันไม่สู้เลยมันจะเอาแต่ของดีๆของที่มันชอบพอของที่มันไม่ชอบมันก็โออยากจะหนีจะเป็นจะตายให้ได้เนะยเราต้องมาแก้ไขตัวนี้ตัวที่เป็นปัญหาหตัวที่ไม่ชอบไอ้ตัวที่ มุนวายไปกับสิ่งต่างๆปล่อยเข้าไปาาก็ยังเป็นยังไงก็เรี่ยงของเขาไปน อ, อย่างนี้ต้องสู้ด้วยสติด้วยปัญญาสติก็พุโทโธพุโทโธทำใจให้นิ่งๆเฉยๆไว้ปัญญาก็ว่าเป็นอนาัตตาเราควบคุมบางทาง่านมันไม่ได้ทนนี้ก็จบแล้วนะมนกับเราควบคุมดินฟ้าอากาศได้บ่าอให้เราอยู่กับมันได้บ่า ก็ อ, อยู่กับมันไปเทนั้นเองถ้าไม่มีความอยากมันไม่มันไม่มันไม่ทุกับที่มันทุกเพราะมันอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้อะไรพอไม่เป็นตามใจอยากก็ทุกขึ้นมาเท้นเองพยายามฝึกสติใช้ปัญญาสอนใจเราอยู่ในโลกที่เป็นธรรมชาติโลกของธรรมชาติทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติหมดทั้งคนทั้งอะไรนี้เป็นธรรมชาติทั้งนั้น เราไปควบคุมบังครับเขาไม่ได้หรอกอาทีแล้วก็ควบคุมได้แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาควบคุมใจเราเดี๋ยใจเราควบคุมได้ตลอดเวลาใช้สติพุโทโธพุโทโธมันก็นิ่งแล้วนะมันก็เฉยแล้วนะเราเราไปทําดูนะโอเค okay. อย่ากามกันะ เวลามีชีวิตอยู่ก็ให้ใช้เวลาให้กับการปฏิบัติเพื่อเพื่อการไม่มาเกิด น, นะหนูก็เออนี้หนูพอดีพอพอหพ่อพูดแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอออย่างเวลาเราปฏิบัติแบบนี้ค่ะเราก็เราก็ปฏิบัติของเราไปปกติแล้วไอ้การที่เราเสียงมันเข้ามาแบบนี้คือให้เราพุโทโธอย่างเดียวแต่มันก็ยังไม่หยุด แต่เราก็ยังต้องพูดโธต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไปห้ามเสียงห้ามใจเราให้ใจเราเฉยๆไม่ไปวุ่นวายกับเสียงค่ะเพอใจเรานิ่งไม่วุ่นวายแล้วเสียงมันจะดังเสียงมันจะไปยังไงก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราใจเราไม่นิ่งใจเราอยากให้เสียงมันหายไปพอเราทำขอบตามใจให้ให้ความอยากหายไปใจก็อยู่กับเสียงนั้นได้ไม่เดือดร้อน เราไปกับเราไปไล่เสียงมันไม่ได้เวลามันจะมาเราห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมแต่เราห้ามใจเราไม่ให้ไปวุ่นวายไปกับมันได้ <c oughs> ทําใจราให้นิ่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปท่านเองสวดมนต์ก็ได้พุโทโธก็ได้อย่าไปสนใจเดี๋ยวก็เลย ม, มันไปท้อ <c oughs> ใจนะโอเคอ่านทีนี้ก่อนนะขอบคุณที่มาหลวงพ่อ ขอให้หลวก็่อท่าสารแข่นนะคะสาธุจ้าจคุณฉันธาและฉันธาชื่ออะไรครับนบมัสการครับพระอาจารย์ชื่ออะไรจ้าชื่อจันธาครับพระอาจารย์ จ, จันทาจันธาได้ครับพระอาจาร ย, อ ย, า ย, ย์อยู่ที่ไหนแต่อาจารย์ไปยินผมฉับไหมครับได้ยินอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ขแมแย่นครับพระอาจารย์ขแมแย่นะเมืองอะไร อะไรนะครับอยู่เมืองอะไรอยู่ใกล้เมืองเมืองเมืองกำปงฉนังครับพระอาจารย์อยู่แถวไหนอยู่ใกล้ๆพนมเปญหรือเปใช่ใช่ครับพระอาจารย์พระอาจารย์เคยมาไหมครับไม่เคยนะเคยดูแต่แผนที่ครับครับเคยนิมุลมาขอโทษครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับเออมีอะไรไหมเคยนี้ที่เข้ามาอ๋อผมอยากที่จะเข้ามา รวมฟังธรรมะแล้วก็ครับคราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยอ่ะครับที่มาสายถ้าได้เลยรู้จักผมผมเคยเรียนที่ไทยแล้วก็เคยทํางานที่ไายนะครับพระอาจารย์แล้วก็เคยตั้งพระอาจารย์มาตั้งไปช่วงโควิดมามาถึงปัจจุบันนีะครับพยายามพยายามที่จะเข้าหลายรอบแล้วแต่แต่วันนี้โชคดีที่ได้เข้ามาครับอืมครับ เวลา อ, อากจะถามไหมครับถ้าอาจารย์เอทุกวันนี้ผมก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านครับพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามที่จะถือสิ่งแปดแล้วก็พอแบบว่าผมนั่งสมาธิเสร็จแล้วปวดเมื่อยอะไรอย่างเนี้ยผมก็ไปช่วยงานบ้านครับพระอาจารย์ได้ก็ทาไปรักษาสิ่งแปดจะทำบาส่งปดครผมครับพระอาจารย์ พยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยบ่ยครับพระอาจารย์อย่าคิดหยุดความคิดให้ไดค้ครับครับวันอยาเราจะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดทําให้ใจเราทุกข์กันครับพระอาจารย์ผมก็เวลาที่เอืมคิดแบบไม่สงบอะไรเนี้ยครับคิตฟุ้งซ่านผมก็พยายามที่จะเข้าสมาธิครับนั่งสมาธิ พอออกจากสมาธิรู้สึกว่าจิตแบบว่าลงอะอ่านี้ครับเเบาสบายย้อ<น>เรื่องราวต่างๆไปชั่วคราวใช่ใช่แล้วก็เริ่มคิดใหม่ก็เรื่องเรื่องราวเข้ามาใหม่ใช่ใช่ครับพระอาจารยม์มันเป็นช่วงแต่ผมพยายามที่จะตามให้ท่านนะครับตามให้ทันมันก็คือเวลาที่แบบว่าเอมผมเจอเรื่องราวที่ผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างเช่นเอ อที่บ้านนะครับมี ม, มีมีเลี้ยงไก่ด้วยครับแล้วก็ตกายตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออถูกขโมยปายอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์อบางทีใจจะหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะเอาธรรมะมาช่วยครับพระอาจารย์ก็คือเอผมไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้ทุกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศครับพระอาจารย์พอธรรมะของพระอาจารย์มาใช้แล้วก็ใช้ได้อะครับ ปั่นถูกเบาลงะครับพระอาจารย์ถูกแล้วพระอาจารย์บอกตัวอย่างเป็นอนัตตานะไม่ตกตัวไม่มีใครเป็นเย้าของครับพระอาจารย์คครรับพยายามปฏิบัติหน้าสมาธิให้มากๆแล้วใจอย่าเย็นใจสงบนะคับคร่ะพระอาจารย์ครับโอเคมีอะไรไหมครับครับไม่มีแล้วครับพระอาจารย์กลุ่มพยายามที่จะ ปฏิบัติก็คือเข้ามทีละเศร้าทีละก้าวครับพระอาจารย์แล้จะมาเมืองไทยไหมอยากนะครับถ้าอาจารย์ก็คืออยากจริงๆริงเราผมก็อยากไปอยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติให้ให้ให้ลายผลมากๆเพราะว่าที่อทยมีมีมีเยอะครับอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ได้ให้ห้ามให้มาใช่ไหมมาได้ใช่ไหมถ้าจะมามาได้ครับอาจารย์ทางเครื่องบินมต้องมาทารงบใชมีามีพาสปอร์ต มีมีพาสปอร์ตอย่างเดียวกว็ได้แล้วครับพระอาจารย์แต่เหมือนที่พระอาจารย์เคยเคยเคยเคยบอกต่างชาติคนหนึ่งว่าถ้าเราเดินทางไปเนี่ยมันจะเสียค่าเดินทางเยอะพ<า> <c oughs> รออะอาจารย์ก็บอกว่านี่ถ้าเอาค่าเดินทางนั้นมาทําบุญจะได้จะได้จ ะ, จะได้แบบว่าบุญสองเท่าครับก็คือเราปฏิบัติอเองที่บานด้วยแล้วก็ค่าเดินทางนั้นเรเอามาทําบุญด้วยจะได้ได้ได้ไดบุญสองเท่ากันเออดีคที่จริงก็ดี แต่ที่เอาเงินไปใช้ซื้อลยซืย้อไลไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปทําบุญดีกว่านะครับพระอาจารย์ผมก็ติดตามพระอาจารย์แล้วก็พยายามที่จะเข้ามาให้ได้ทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ว่างๆก็เข้าไปอ่านเอแอดมินที่เขาเขียนบอกในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะครับก็อ่านแล้วก็กเจริญปัญญาก็ก็มีความคิดก็ก็มีปัญญาครับพระอาจารย์เพิ่มปัญญามากขึ้นนะครับ ตอนที่มาเรียนที่เมืองไทยเนยเรียนอยู่ระดับไหนคนะตอนนักยารตีครับอาจารย์เยรียนเอกแต่เรียนเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยมีฝึกเองครับอาจารย์เวลาเรียนใช้ภาษาอังกฤษเรียนไหใช่ใช่ครับอแ ต, แต่อยู่เมืองไทยก็ต้องก็พูดไทยได้เนะเจอคนนั้นคนนี้ก็คุยแต่ภาษาไทยครับพระอาจารย์คือคือขอโทษครับต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดให้ได้ครับมันผมก็คิดว่า ถ้าเราพูดได้ลายภาษาเนี่ยมันประโยชน์ก็คือตับตัวผมเองอนะครับเพหางานทําได้ง่ายอย่าครับขอให้มีความกระยันให้เราต่อสู้นะครับค่ะพระอาจารย์ครับชีวิตเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าลงอ่างครับค่ะพระอาจารย์ครับสาธุตอนนี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์ ข, รอาารยขอขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับขอให้พระอาจารย์ทติทแข็งแรงนะคะสาธุ อาจารย์สุภัสตาเถินอาจารย์วันนี้สอนเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยเลยสอนเสร็จสองทุ่มเจ้าค่ะวันนี้นักศึกษาไม่มีใครเข้ามาเลยเป็นเป็นสอนเสริมภาษาอังกฤษติวโทอีกเจ้าค่ะซึ่งไม่ได้บังคับคุยกันเว่ะสนทนากันได้ว่า ใช่เจ้าค่ะก็คือเป็นสอนเสริมให้เขาใครจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้ววันนี้ลูกลูกลืมลูกลืมเตือนไปในในไลน์เจ้าค่ะของคณะก็เลยไม่คิดว่านักศึกษาผพไม่เตือนเขาก็ไม่มีกา ม, ม า, มมาปกติจะมีเขามาสักกี่คนอเออครั้งนี้ครั้งที่สามเจ้าค่ะครั้งแรกมาสามสิบเจ้าค่ะแล้วครั้งที่สองก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือสองสามคนลครั้งนี้ ก็ไม่เล็นไรคนเดียวก็ได้ธรรมชาติแสดงธรรมเท่าน้ก็มีแค่คนห้าฟังคนห้าคนเท่านั้นเองเจ้าค่ะวันนี้ลูกนั่งรอจนถึงสองเออถึงถึงเออเราเราเริ่มทุ่มเออเราเริ่มทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มลูกนั่งรอสีสิบนาทีเจ้าค่ะเดจะเข้ามากันเลยยังไม่มีวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะสี่สิบนาทีลูกก็ไม่เป็นไรเจร้าค่ะก็อ่า อาจจะเพราะว่าใกล้สอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยเจ้าค่ะเขาก็คงโปรเจกต์เยอะลูกก็อ่าไม่เป็นไรเราก็ทําหน้าที่หน้าที่อช่เราทําหน้าที่ของเราไปก็จบเขาจะมาแล้วไม่มาเป็นหน้าที่ของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะวนห้องซูมนี่เราก็ทําหน้าที่ถึงเวลาเราก็เข้ามาส่วนคนอื่นจะเข้ามาแล้วไม่เข้ามาเป็นเรื่องของเขาเราไม่ไปตามตัวค่ะ เด็กเด็กเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีอะไรของของเขาอยู่แล้วก็ขําอยู่เลยนะตามยุคตามสมัยทุกยุคไม่มีใครชอบเรียนชอบเล่นกันมากกว่านอกจากคนที่เรียนเก่งๆเท่านั้นที่ชอบเรียนแส่วนใหญ่แล้วก็ชอบเล่นกันอเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมวันนี้ ไม่ไม่มีเจ้าค่ะลูกลูกมาเข้าฟังมามามารับมามาฟังเพื่ อ, อนนเปิ่มปัญญาเจ้าค่ะอันนี้ปรับตัวได้ได้นะอยู่กับสภาพใหม่ได้นะคือคือโชคดีที่ที่ลูกได้มีโอกาสหลีกไปฝึกตอนนู้นไปปฏิบัติก็เลยทําให้อยู่กับโลกแบบเข้าใจโลกมากขึ้นเจ้าค่ะลูกคิดว่าถ้าลูกไม่มีโอกาสได้ฝึกเมื่อก่อนก็คงจะ ไปตามโรคแบบเครียดตามโรคอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะแต่ลูกก็คิดว่าประคองไปได้บ้างล้มบ้างลุกขึ้นมาได้บ้างคือมันมันเหมือนมีเครื่องมือที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าคะ่ะลูกก็ยึดศีล ส, สมาธิเจ้าคะ่ะแล้วก็ภาวนาปฏิบัติเจ้าค่ะปัญญาไปนะคมีสติเยอะๆเจ้าคะ่ะก็เหนื่อยธรรมะของพระเจ้าเนี่็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะ ใช่เจ้าค่ะอยู่ทางโลกก็ใา้ธรรมะรักษาใจไม่ให้เครียดไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายใช่เจ้าค่ะอยู่กับทางโลกถ้าไม่มีธรรมะลูกว่าเขาไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีหลักทางใจอะ่ะเจ้าค่ะ mm hmm. มันมันเหมือนกันเราไม่มีภูมิเราก็จะเจ็บมากเจ้าค่ะแต่ถ้าเรามีภูมิเราก็เจ็บน้อยเจ้าค่ะ mm hmm. ลูกก็ mm hmm. ล้มบ้างสติหลุดบ้างก็ ดึงกลับมาทันบ้างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอย่างน้อยเรามีเราเราได้เข้าเข้าเรียนแบบนี้เจ้าค่ะลูกก็เหมือนกับมาดึงตัวเองเจ้าค่ะเรื่อยๆอค่ะควบคุมใจด้วยสติฝึกสติบ่อยๆด้วใช้ปัญญาปล่อยวางทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราอะไรจะเกิดก็ถ้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไป เจ้าคะ่คะเจ้าค่ะกลับขอพระคุณเจ้าค่ะาธุอ่าคุณแอนอุดรน้องการรักวัฒการนะคะซานตุ้งวิญคำถามเจ้าค่ะโอเคสาธุคุณนิส า, อส า, อส า, อสาดอเนี่ยนี่ไม่ใช่นิสาเอาเอเนิสาเปนคอรค่ะน้อเก่าในวัสการค่ะต้องเรียกนิสา นนทบุรีค่ะอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อันที่ที่ผ่านมาไม่ได้มาเข้าก็มีฟุ้งซ่านนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ก็สอบไม่ค่อยผ่านค่ะพระอาจารย์ขนาดขนาดเรียนมาขนาดนี้ปฏิบัตมาขณะนี้มันยังพูดไม่อยู่นะยค่ะพระอาจารย์ก็มีจิตตกเหมือนไม่ค่อยสงบตอนนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เพราะว่าค่ะก็ไปยึดติดกับ ร่างกายของคุณแม่ค่ะพระอาจารย์ อ, อย่าให้ท่านเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์รู้ว่าไม่รู้รู้ตัวค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันมันรู้เมื่อแบบเมื่อผ่านไปแล้วว่าแบบเออเรารู้สึกแบบมีความทุกข์มีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วลงไปแล้วเลงไปแล้วค่ะพระอาจารย์ต้องรีบเข้ามาที่ห้องนี้ค่ะพระอาจารย์อ่อาแล้วไม่ได้หลักธรรมคือความจริงคะ ขนาดท่องอยู่อะค่ะพรอาจารย์ยังลืมนะค่ะแก่เจ็บตายอนนี้สามคำนี้ยังยังลืมได้ค่ะท่องตลอดก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะพรอาจารย์ก็รู้สึกแย่นิดนึงค่ะพาอาจารย์คือปกติก็แบบเอาจริงๆลูกก็แบบจริงๆก็ยึดติดร่างกายตัวเองเหมือนกันนะคะพาอาจารย์ตอนนี้เอาแม่เข้ามาอีกยึดติดร่างกายคุณแม่เข้าไปอีกนะคะพาอาจารย์ เป็นสองเท่าเลยแบบกดวงดาวบวกไปสองร<บ>อบเลยคะ่ะ<ม>รู้สึกแบบที่ล่ำเรียนมาต้องถอยไปอีกหน่อยนะคะพระอาจารย์แต่ก็ยัง<ม>ดึงกําังดึกดึงกลับมาได้ดีนึงนึกถึงคําสั่งสอนของพระอาจารย์<ม>ก็แบบเออปล่อยปล่อยวางได้ะคะ่ะพระอาจารย์ ม, มันมีแบบบางวันมันรู้สึกมันก็ดิ่งนิดนึงนะคะพระอาจารย์<ม>ยึดติดแบบคุณแม่ร่างกายคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ มันยู่ว่าอยู่สติของเราอะไรนี่มิสติดีมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายจริงจริงค่ะพระอาจารย์มันสติมันไม่คงที่เลยค่ะพระอาจารย์ออืมพยายามฝึกสติเรื่อยๆพุทโธอยู่เรื่อยๆบางวันมันหายไปเลยค่ะพระอาจารย์นึกไปเลยค่ะพระอาจารย์กลับไปที่เอ้าตายแล้ววันนี้เรารู้สึกแบบเราสติหลุดมากเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ออืมแล้วก็มีแบบ คุณแม่ลูกเป็นออสไซเมอร์ใช่ไหมคะลูกกลับมาย้อนตัวเองแทนที่จะแบบเออเหมือนกับว่าให้เห็นว่าเออคนเรามันก็เท่านั้นเองอะไรเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเกิดแก่เจ็บตาย mm hmm. กลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าเออไม่ได้ย้อนกลับมาดูดูตัวเองก็คือกลับไปกลัวขึ้นมาอีกว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคะระอาจารย์ mm hmm. อบตกเลยคะ่ะรอาจ mm hmm. ารย์ ก็ต้องเริ่มใหม่ค่ะอาจารย์สู้ต่อไปก็ยังดีที่ยังยังกลับมาหาธรรมะได้อยู่ค่ะอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอย่าประมาทค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรก็อย่าคิดว่ามันจะไม่มีมันไม่จะไม่เกิดค่ะอาจารย์จะเกิดมันพรุ่งนี้หรืออนาคตก็ได้ค่ะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะ ค่ะต้องคิดถึงวันนานแล้วสติตล อ, อดดีกว่าครัอาจารย์วันนั้นสติ ด, ด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยได้<อ>เป็น<ท>เรื่องธรรมดาก่อนมันจะตายมันจะเจ็บไขยได้ป่วยก่อนนะค่ะพระอาจารย์ตรงนั้น่ะค่ะพระอาจารย์ถ้ามันตายแ ป, ป๊บๆมันก็ดีนะครับพอถึงเวลาตายก็ตายเลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เลยก็ดีค่ะพระอาจารย์ออก็ สู้ต่อไปนักบุญแต่กรรมนักบุญแต่บาปาของแต่ละคนเกิดมาแล้วนิกสู้ต่อไปนะสู้ได้ส ต, ติได้ปัญญามีศีลได้สมาธิค่ะพระอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แล้วถือมอีชาตกาต่อชไชน่าเป็นไงสบายดีนะอ่าสบายดีค่ะอาจารย์มาฟังธรรมค่ะปฏิบัติค่ะ รักาใจให้ดีนะอย่าให้วุ่นวายค่ะโอเคกดปูเป้ใหไงธรรมโอษนยังใช้อยู่เปล่าตามนมัสการเจ้าค่ะโอ้ใช้ต้องใช้ทุกวันคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าลืดไปทํางานตลอดเลยคะ่ะพระอาจารย์มันไม่ค่อยรู้สึกกายคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ใชคะ่ะพระอาจารย์อืมนู พอเขาเห็นว่าเป็นพยาบาลก็จริงแต่ว่าผ่าตัดเยอะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้ให้ทํางานอะไรมากค่ะพระอาจารย์พอหนูทํางานไม่มากจตหนูว่ารูปไปดูพระแต่ละรูปพระอาพาธเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยรู้สึกมีแรงมากคะ่ะในเรื่องการทําบุญเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอาของที่ญาติโยมถวายมาไปถวายพระอาพาธเลยคะ่ะเพราะว่าท่านไม่ร้องของเลยพระอาจารย์เราก็นําของที่ญาติโยมทําบุญที่โรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ไปถวายท่าน เลยค่ะพระอาจารย์อย่เงี้ยคะ่ะหนูก็เลยแบบโอ้โหมีพลังใจเยอะเลยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนเป็นสะพานบุญนะคะพระอาจารย์นีท่ทำบุญทนั้นได้ความสุขใจโอ้จริงคะ่ะพระอาจารย์แล้วมันมีแรงหนูก็เลยแบบว่าโอ้โหพลังทางใจมันมั น, ม, นมันเหมือนบัญชีบุญนะคะพระอาจารย์มันเพิ่มขึ้นแบบไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเลยมีแรงเยอะมากคะ่ะพระอาจารย์อืหนูก็เลยแบบ โอ้โหนูเห็นของดีตรงเนี้ยค่ะบัญชีบุญกับบัญชีบาปอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูก็นั่งฟังเทศพระอาจารย์ไปเรื่อยๆอะค่ะหนูก็ยโอ้โหเหมือนเจอของจริงแล้วค่ะพระอาจารย์แก็สัมผัสได้จริงๆค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะหนูก็ลุยฟังไปทุกวันเลยหลักพระอาจารย์บัญชีบุญให้มากกว่บัญชีบาปไว้แนะบาปมันแสดงผลไม่ได้ เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูก็มองเห็นเหมือนจีเลสมันยังไม่ได้ตายนะคะพระอาจารย์เหมือนถือไม่เดียวอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แบบว่ามันจะเพิ่มความอยากให้ได้เพราะว่าอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยต้องพยายามสอนตัวเองทําทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนคิดถึงว่าตายไหมตายไปอะไรไปไม่ได้นอกจากบุ ญ, ญบาปที่เราทนะําได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะ อ่าคุณเอกเองเชียงรายตอนนี้หายหนาวใช่ไหมรับกลัาธีารพระอาจารย์ครับก็ช่วงนี้อากาศยังเย็นๆอยู่ครับพระอาจารย์ครับตอนเช้าประมาณ 13-14 องศตอนเช้าประมาณ 13-14 องศาครับอาจารย์ก็ยังเย็นอยู่นะแล้วเย็นอยู่ครับผมก็วันนี้เข้ามากับอาจารย์แล้วก็กับเรีย็นรายงานพระอาจารย์ว่า ตอนนี้ได้ปฏิบัติถือเมตสัญชิกตั้งแต่ตุ้งปีมาครับอาจารย์อืมครับผทุกวันพระนรือทุกวันพุธนะทุกวันอทุกวันวันพระครับทุกวันพูด น, นี่จนถึงประมาณเที่ยงคืนครับอาจารย์ครับอืม ก, ก็ก็เล่งอยู่ครับอาจารย์ครับแล้วได้อะจากการปฏิบัติเรียว่าเข้าวหน้าขึ้นไหมจิตใจมั่นคงมากขึ้นไหมก็มันมันก็รู้สึกนิ่งขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วก็เข้าสมาธิก็ก็ง่ายง่ายอยู่ครับอาจารย์ครับ พร้อมที่จะเจอข้อสอบไปงก็เตรียมตัวอยู่ครับอาจารย์ครับอ่าครับผมพอเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวจะต้องสอบกันนะครับผมอืมก็ขยันทําการบ้านให้ดีซ้มไว้ก่อนครับถ้าเป็นนักมวยก็ซ้อมชกอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นนักกีฬาก็ซ้อมทำกีฬาของตนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลาเข้าสนามแข่งก็จะได้ชิงชัยชนะได้ครับผมครับผม ก็ก็เพียนอยู่ครับก็ไม่ประมาทครับอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขสาวจะมาเมื่อไหร่รู้ว่าเดินออกบ้านไปเกิดอุบัติเหตุตายไปก็ไม่รู้ต้องตายกเดี๋ยวไปโกไม่ตายเลยก็ไม่โกไม่การเลยครับผมต้องรับทุกอย่างขสาวมันไม่ได้อาจจะเป็นตายเดี๋ยว ตายอย่างเดียวมันง่ายแใจที่มันไม่ตายเแต่มันอยู่อย่างทรามารนึ่ยครับผมครับผครับเราต้องไม่เดือดร้อนถ้าเจออย่างงั้นก็ใจเราก็ต้องอยู่ในวความทุกข์ทรมาร์ดให้ได้นะครับผมครับผมก็พยายามปฏิบัติครับอาจารย์ครับโอเคดีในการปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมายเครื่องมือไว้รับกับข้อข้อสอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับผมครับผ รักษาใจให้แนงให้สงบแล้วอะไรจะเกิดกระช่างหัวมันครับผมโอเคนะครับผมก็ทุกวันก็ปฏิบัติก็ตอนเช้าก็ตื่นมาตีสามครึ่งก็ไม่เงี้ยม่อะไรก็ตื่นก็ตื่นได้ครับอาจารย์ครับตื่นมาปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วครับก็เหมือนกับมันมีสันทะแล้วอาจารย์ก็อยากปฏิบัติไปอะไรครับอาจารย์มันเป็นนิสัยแล้วมันจะทำงั้นได้ง่ายถ้าทําอยู่บ่อยๆแล้วมันจะง่าย ถ้ายหยุดทำแล้วกลับมาทำใหม่มันจะยากครับผมครับผมใช่ครับอาจารย์ทําก็ตอนถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนถ้านั่งถ้านนั ups, ups, ่งสมาธิก็บางทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยครับก็อืบางทีก็หลับบางทีก็หลังหลังจากนั้นก็หลับครับแค่วันทีสามขึ้นก็ตื่นมาตื่นมาก็ก็เริ่มใหม่เงี้ยครับอาจารย์ครับผมเพราผมต้องมาตั้งสติก่อนเลยครับก็เหมือนเมื่อพระอาจารย์บอกว่าให้พูดโท ตั้งแต่เราตื่นมาเนี้ยมันมันก็ได้ผลอยู่ครับอาจารย์ครับถ้าเราไม่พูดทงแต่ตอนเช้าที่เราตื่นมามางินลืมไปครับพระอาจารย์ครับลืมไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ลืมไปครับมันจะลืมไปครับครับครับครับก็น้อมปฏิบัติครับผมคราบสังสอนพระอาจารย์ครับปฏิบัติพระอาารยครับระอาจารย์ซ้อไม่ถอยครับผมครับผมกขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเอาธุสาธุครับคุณยินดีต่ออยู่นิวยอร์กตอนนี้เจอเหมาะ อายุใหญ่ไมเ่ระมาณไปแล้วเนี่ยยีม้าลงเกียร์ยีม้างเกียร์กีมกี่เมตรอ่ะเขาก็มาถ่ายถ่ายให้ค่ะอาจารย์ค่ะถนนนะคะเขาก็มาจัดการให้ค่ะทางด้านถนนแต่ประตูเราเราต้องเราต้องถ่ยออกเองถ่ายเมื่อวานหนูออกไปแล้วก็คนข้างบ้านเขาก็มีไอ้ตัวเครื่องอ่ะเขาก็มาช่วย ช่วยเตาให้เลยค่ะท่านเขาก็มาจัดจัดให้เพราะเขาเห็นหนูไม่ค่อยจะสบายเขาก็เลยมาจัดจัดให้มาช่วยให้เขาว่าน่รักดีอะค่ะจ่าาจก็เดีวิดก็ไปทำงานอะไรขับรถไปเลยค่ะขับรถไปค่ะท่านจ่าขับรถไปอค่ะท่านจารย์เพราะว่าถนนมืนก็ประมาณยี่สบีอะค่ะท่านจร่าแต่ถนนเขาก็มา ถนนเมนเขาจะมีเขาจะมีพวกทางเคาท์ตี้อะค่ะเพราะว่าจะมาจัดการให้ <c oughs> ไปออ ไ, ไ, ไทย อ, อ่ะไทยไทยไทมาอ่ะค่ะไม่น<ม>้อง<า>ใช้รถ<ข>นี้ไม่ต้องใช้<ม>ขเขาเรียกโซ่ผูกยางถูกล้อแบบไม่ต้องไม่ค่ะไ ม, ไม่ไม่ต้อไม่กงยังใช้ค่ะค่ะก็เพราะเนี่ยคถึงได้ต้องเปลี่ยนรถอะคะ่ะเวลามาเนี่ยท่านอาจารย์เพราะรถที่ใช้สมัยก่อนกับที่นี่มันมันมันมันคนละแนวกันเลย อืมอาจารย์โอเคค่ะก็โชคดีคะ่ะที่ว่าไม่ได้เจอระบบเอไฟดับอะไรเหมือนกับที่อื่นเขาะอะค่ะอาจารย์บา okay. งแห่งตอมาอมลมทับสายไฟฟ้าไฟก็ดบได้ค่ะค่ะก็ที่อื่นเขาก็เดือดร้อนกันนะอาจารย์เราก็รู้ค่ะว่าขนะเราอยู่ในบ้านนี่กีเตอร์เขาก็แลรู้สึกว่ามีแบบเขาก็แลทํางานหนะักเหมือนกันความร้อนมันไม่ค่อยขึ้นนะคะอาจารย์ โอเคอะค่ะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรของคุณค่ะท่านอาจารย์ก็เข้ามารับฟังทมกับเพื่อนๆด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็รักษาใจค่ะท่านอาจารย์โอเคสาธุขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่าสูงคท่านอาจารย์บอลงเต้นะคะท่านอาจารย์ค่ะเหอนเดิมขขอณ่ขอบคุณมากขอาก่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์อ่าสูงค่ะสาธุขอบคุณนุกุลวันนี้มาแทงอาจารย์พมวิไลนะอาจารย์พรมวิไลมหงามเนีย พอดีต้อต้องไปดูแลบีนิดหน่อยครับบีโดนเขาพอดีไม่ค่อยสบายฮครับการนมสการ์มาจาย์ค่ะอืมก็บก็มไม่วันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากาผ้าจารย์ถ้าสะดวกก็วันถ้าสะดวกไม่มีอะไรที่บ้านก็วันศุกร์นี้ตั้งใจว่าจะไปกาผอาจารย์โอเคมาได้กนดีนะค่ ะ, ะตั้งตั้งใจไว้ก็เดี๋ยวดูเหตุการณ์ว่า มีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคะอโอเคสาธุอากาศสวัสดีประจำวันลาทิตยประจํวัวันพุธวันพุธประจำวันประจสัปดาห์โอเคสาธุสาธคุณดิศยาซู้คุณแม่ไม่ได้นะคุณแม่เข้าเข้ารอบหารอแ้เนี่ยยังไม่เข้ารอบเขาเลยนมัสการข่าพระอาจารย์ เข้าเข้ารอบอะไรคะอาจารย์รอบปฏิบัติงานอ๋ออาจารย์คะ่ะหนูตอนนี้อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้า ง, งตัวเก็บเงินก่อนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือคือเพราะว่าจริงๆรอ่ามันมันไปไม่ได้คะ่ะด้วยด้วยการเงินของหนูในในแล้วก็ช่วงแรกๆที่ไปได้คะ่ะมันก็ต้องเก็บเก็บเงินไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลย <c oughs> พิจารณาว่าถ้าเป็นแบบนั้นต้องนาน น, านไปทีคะ่ะ แล้วก็หนูก็เลยตอนเนี้ยค่ะวางแผนว่าจะทําให้กิจการมันเริ่มเริ่มลงตัวมากขึ้นค่ะที่ย้ายออฟฟิศแล้วก็คิดว่าภายในครึ่งปีทุกอย่างมันน่าจะเริ่มค่อยค่อยค่อยค่อยอยู่ค่อยค่อยอยู่ในเกณฑ์ที่หนูรู้สึกว่ามันเริ่มนิ่งหนูน่าจะแบบว่าแบบที่วางแผนไว้จะได้ไปสันทีเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะแบบว่าอยากไปค่ะก็อ๋อคิดถึงคิดถึงเขาอืค่ะคิดถึงค่ะอาจารย์ แต่ว่าอืโยนจะร้องไห้ไม่ได้ค่ะก็ะทําไปตามกําลังของเราอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะค่ะจะพูดเปรียบเทียบก็เข้าใจเข้าใจค่ะอาจารย์อยากไปอยู่ตลอดค่ะแล้วก็อด้วยเหตุปัจจัยจริงๆก็อยากจะให้ทุกอย่างมันลงตัวทั้งแบบรู้สึกว่าอยากให้ให้มีมีเงินแล้วไปแล้วไม่รสึกกังวลอะไรอยากได้ไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าวางแผนเป็น ด้วยระยะ เ, เวลาแบบนี้ค่ะผู้เปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยคนสอ ค, คน <c oughs> าอยู่อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันแต่บารมีต่างกันนะค่ะพระอาจารย์ให้คุณแม่ไปก่อนค่ะค่ะแ<า>ี่อะไรไหมวันนี้จะถามอะไรป่าวันนี้ไม่ไม่ไมีค่ะช่วงนี้ก็สุขภาพรุมเล้าค่ะอบแต่ว่า นั่งสมาธิไม่ได้ค่ะเพราะอาจารย์แต่ว่ามันปวดมันปวดหลังค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปรักษาแล้วดีขึ้นแล้วค่ะน่าจะเริ่มกลับกลับมาเข้าสู่สภาวะเดิมได้ค่ะเรื่องท เ, <ร>เราได้เคยไปรักษาเนี่ยหายดีแล้วเลยดีแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงย้ายของแบบมีไปยกของหนักค่ะมันก็เลยปวดแล้วไปทั้งตัวแล้วก็ ก็เลยไปไปรักษาเนี่ยค่ะเริ่มหายแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนที่เป็นนั้นเป็นละไรรอบหัวใจแล้วเป็ น, น, นอะไรเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะพราาอะอาจารย์แล้วมันมันใหญ่ที่พอไปอสแกนจริงๆมันใหญ่เท่าคนท้องประมาณเจ็ดเดือนนะคะมันเลยไปเบียดทั้งทั้งบนกระเพาะแล้วก็เบียดพวก อมลําไส้ใหญ่อ่ะค่ะอาจารย์มันก็เลยมันก็เลยแบบว่าไข้ขึ้นทุกเดือนเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นแบบว่ามันดันกระเพาะขึ้นไปแล้วมันไปเบินที่คอค่ะอาจารย์อืค่ะแต่ตอนนี้หายแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไข้ขึ้นไม่ต้องป่วยทุกทุกเดือนแล้วค่ะอาจารย์หาสาเหตุไม่เจอมาเป็นแบบหลายปีมากค่ะอจนเจ็ดปีค่ะน่าจะสักประมาณเจ็ดปีค่ะที่เป็นแบบเจ้านี้ที่ห่อคนพบสาเหตุค่ะอาจารย์ทบ ก็ยังพยายามแบบถึงแม้ว่ายัง เ, เรื่องทางธรรมยังไม่เียงแบบต่ อ, ต อ, ตอแต่แต่แต่ว่าพยายามเอาตัวเองเข้ามาในซูมค่ะพระอาจารย์พยายามเรื่องทางธรรมหน่อยนะเพราะเวลาเราก็จะค่อยค่ อ, คอหมดไปเรื่อยเรยค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคถ้าถ่าคุณแม่ต่อเลยค่ะนุษาขับธรัมสการ์กับพระอาจารย์ค่ะ ออค่ะโยมก็จะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะจากคาสอนที่พระอาจารย์สอนมาโยมเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็มันเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อประมาณสักวันอังคารแล้ววันพุธวันอัคารวันจันทร์ประมาณนี้นะคะอาจารย์โยมขับรถมอเตอร์ไซค์ในซอยใช่ไหมคะออกมาซึ่งมันมีบ้านบังอยู่ปรากฏว่ามีรถรถกระบะค่ะรถบรรทุกเด็กมาโรงเรียนเข้ามาห่างจากโยมสองเมตรเองโยมว่าต้องชนแน่ๆแล้วค่ะ ยมมองเขาเขาก็ไม่มันขับมาเร็วแล้วยมก็เบรกแล้วรถไม่หยุดยมว่าชนแน่ยอมก็ตัดสินใจยมก็ไม่น่าจว่ามันเกิดอะไรขึ้นยมเบรกกำเบรกจนแน่นแล้วก็เท้าเนี่ยเหยียบลงพื้นแล้วก็ดันตัวจะชากรถถอยกลับมาค่ะจำเหมือนกับเรายกกลับมาแบบเนี้ค่ะดันยก mm hmm. ผ่านไปนิดเดียวแล้วก็สบตาเข า, า, เ, ขาเขาโกโรธนะคะมองด้วยสายตาที่แบบโกรธเคืองยมก็บอกว่าขอโทษนะคะแล้วเขาถึงได้ยิ้มไปยอมก็ เราขอโทษเขาทําไมเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอยู่ยอมหยุดเย็นเออ ก, ก็ดีนะคะกลับมาแต่ว่ามันไม่มีอาการตกใจนะคะอาจารย์มันแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วเราก็ทําไปแบบเหมือนกับเราไม่ได้คิดอะไรมาก่อนเลยมันเป็นไปเหมือนกับตัญชาตยานแบบนั้นนะคะอาจารย์อืเบรคกำมือปุ๊บแล้วเอาทามวางแล้วก็เหมือนกับดึงดึงรถกลับดึงล้อร ด, ดึงหัวรถกลับมาแบบเนี้ค่ะอาจารย์เฉียดไปนิดเดียวเองค่ะไม่งั้นก็ ชนแน่ๆกับว่าสองชนชนแน่แค่สองเมตรเสร็จเองค่ะจนันเว่งชนทางกันหรือว่เ่งเว่งตัดหน้ากันเขาเขาเข้ามาในซอยแล้วมันกับยมเป็นสี่แยกอะค่ะยมออกมาอพอดีจักซอยแล้วยมออกมาช้านะคะแต่เขาขับเข้ามาเร็ว<อ>ซึ่งอพอหันไปมองก็คือประมาณสองเมตรจะถึงตัวรถบ้านมันบังไงคะออืแต่ก็คือปุ๊บยมมองเบรกแล้วรถไม่หยุดยมก็ตัดสินใจแบบกรรำจนแน่นแล้วก็ดึงเอาเท้ายันพื้นแล้วก็ดึงรถกลับ อ, อย่างเงี้ยค่ะจนันมันแบบ ค่ะมันแบบ <Ừ. S 1> มันโยมโยมไม่ได้คิดอะไรนะคะมันเป็นไปเหมือนสัญชาตญาณหรือว่าสติอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์มีสติด้วยถ้าไม่มีสติทําไม่ได้แล้วค่ะแบบมันเป็นแบบเป็นแบบมันกระชั้นชิดมากเลยปุ๊บแล้ก็เออเอาเท้าลงไปยันพื้นแล้วก็ดึงตัวกลับมาแบบเฮ้ย ม, มันไม่ได้วางแผนแต่มันเป็นไปได้ด้วยโยมคิดนโยมไม่ได้ใช้ปัญญาแนละ้วน่าจะเป็นสติใช่ไหมคะอาจารย์สติด้วยแล้วก็สัญชาตญาณเสร็จ น่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าไม่มีอาการตกใจนะคะไม่มีอาการไม่มีอาการตัวสั่นหรือไม่มีอะไรมันเฉยๆกลับเข้ามาแต่รู้สึกสบายใจตรงที่ว่าเราขอโทษเขาอะค่ะจะขอโทษนะคะอย่าไปดิ้ว่าเขาใครผิดใครถูกเลยค่ะ ต, ตอนนั้นท่าแบบนแป๊บจะมีเรื่องกันแล้วก็ยกมือไหว้เข้าไปก่อนใช่ปะใช่ค่ะเขาเด็กนะคะเด็กกว่ายอมเยอะเลยแต่ยมก็หันไปยิ้มแล้วก็ขอโทษนะคะแต่พอพอรถเข้าไปก็จะมแล้วเราขอโทษเขาทําไมเออแต่แม่ปลายยมหยุดเย็น ก็มันมีมันมีความสุขนะคะจาย์เฮ้ยมันผ่านมาได้ด้วยเราสติคําสอนหอจารย์มันมันขึ้นมาในในแบบในเขาเรียกอะไรคะจันกระทันหันเงี้ยมันขึ้นมาเองค่ะจานมรู้สึกมันเป็นเอืมอานาจของสติที่เราฝึกไว้อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเนี่แค่ะสิ่งที่โยมบอกว่าโอ๊ยนี่เราฝึกมามันใช้ได้ผลแล้วคำหอจารย์ขึ้นมาพโยมขอโทษนะคะแล้วก็ ยอมหยุดเย็นมันขึ้นมาเองค่ะอาจารย์มันมันมาใช้ในเวลาที่กระทันหันแบบนี้โดย<ช>ที่เราต้องแพลนค่ะคำพูดคาเดียวก็ทําำทุกอย่างสงบได้ได้ค่ะแล้วแล้วเขาก็ยิ้มให้โยมนะค ะ, ะจริงๆคือสายตาที่เ้ามองมาแบบโกรธโกรธมาแตา <อด S 2> ่าเป็นถาเป็นอย่งแบบนึ่งด่าเขาด่าเข้าไปนี่เดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงคงเอาเนาะค่ะอาจารย์เพราะว่าเรามไม่ผิดแต่ตอนนี้อบอกเออแฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์หลานชายโยมมาค่ะเขาอยู่เมืองนอกแล้วเขา พหโยมไปเปิดบ้านของเขาให้คนเช่าพอยมไปเปิดบ้านปุ๊บปรากฏว่าตู้เย็นเครื่องเสืผ้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ห้องเนี่ยถูกคนทุบค่ะอาจารย์อืถูกทุบเอาไปหมดเลยแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเราไม่รู้สึกโกรธเราไม่รู้สึกสะท้านเรารู้สึกแค่ว่าสังเวชความอยากได้ของคนอืมวความอยากได้ของคนที่มันน่าเกลียดขนาดนี้เลยแต่มันน่าแปลกตรงที่เราไม่ไม่มีอาการโกรธหรือว่าโมโหอะไรเฉยค่ะอาจารย์ โยมมอว่าเขากำลังจะไปนั่อกกันเขาปเข้าไปคือโยมก็คิดว่าโยมก็บอกหลานโยมจะบอกว่าปิงเนี่ยเขาว่าเออไม่ใช่ของเราช่างมันเถอะอยากได้ก็เอาไปก็จะบอกเออู้สึกว่าสิ่งที่เราฝึกมาแล้วคาสอนของอาจารย์สอนมาเนี่ยมันใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆนอกเหนือจากการนั่งภาวนานะคะอาจารย์ใช้ได้จริงๆแล้วก็เจอคนว่าอะไรเราไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะยังรู้สึกแต่ว่ามันไม่ มันไม่กระเทือนค่ะจันมันไม่สเสถือนใช่การเราไปปฏิบัตินี่เป็นการซ้อมซ้อมมวยแล้วเวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันพอมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็ทําก็สอบไปใช่ค่ะโยมกับรู้สึกว่ามันมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะผ่านมันได้ไหมเออก็ต้องขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความสุขที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่า สติที่เราผ่านมาอาจารย์สอนมามันใช้ได้จริงๆในชีวิตเลยค่ะอาจารย์ทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเนี yeah. ่ยโอ้ค่ะโยมรู้สึกแบบโอ้ส่วนโยมที่โยมเล่งไปนะคะอาจารย์โยมเล่งไปภาวนาเล่งไปปฏิบัติอันเนี้ยโยมโยมไม่รอคนอื่นเพราะโยมว่าชีวิตของโยมเหลือ น, น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะไม่รู้ใครจะน้อยกว่ากันด้วยซ้ำไป <laughs> ไม่ว่าไม่ว่าจะอายุอ่อนการจะไปก่อนก็ได้นะใชค่ะยมยมไม่ยมไม่กังวลตรงนั้นยมคิดว่าวันนี้ยมยังแข็งแรงยังยมเดินทางด้วยคนเดียวได้เราก็รู้สึกว่าไม่จังไม่มีใครให้เป็นภาระให้ดูแลทุกคนให้ไปแต่มีให้ไปยมไยมโชคดีค่ะจันตรงที่ใครมารับประกันว่าจะอยู่ไว้ครบแปดสิบเก้าสิบปีกันทุกคนถ้าเป็นผ่าใช่ยมไม่รู้ว่าคืนนี้ยมจะมีอีกไหมไม่ไม่คิดแล้วค่ะจันยมทําได้ยมทําไว้ก่อนค่ะจาย์ โยมต้องขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะคะที่ทำให้โยมมาถึงจุดที่ว่าจากคนที่ใจร้อนแล้วก็สมาธิสั้นแล้วก็หุนหันพันแล่นเนี่ยค่ะอาจารย์กลายเป็นคนที่นิ่งลงแล้วก็ดีไม่โตไทยไม่โตเถียงไม่โตแย้งเฉยนิ่งเราดัดตาตัวตนลงทำตัวเป็นให้เป็นแจวให้ได้แล้วจะจะสบายอยู่ที่ไหนกับใครก็ไม่ไม่มีปัญหาเขาถึงเขาว่าเราต่อหน้าซึ่งหน้าเราก็ ยิ้ม อ, อ่ายิ้มไปยกมือไหว้สาธุไปแล้อย่างดีอื้อหือจารย์อื้อยม อ, อยยมไปวัดค่ะยอมไปวัดแล้ววันปกติยอมไม่ค่อยเข้าวัดยอมจะใส่บาตรขอบคุมากที่ให้ข้อสอบให้ให้ใหข้อสอบสันทำใช่ค่ะยอมก็แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทันทีทันใดนะคะแต่ว่าเรายังมีสติกลับมาคิดได้เอ อ, อ, อนี่นาะความ ความเราสติของเราแล้วมันเห็นกิเลส ต, ตัวเองไงคะจาย์มันสมเพศเ้ว่ความรู้สึกความน่ารังเกียกกิเลส ต, ตัวเองนะค่ะจันค่ะนี่เห็นชัดว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันคือความอยากมันทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดก็คือความอยากล้วนๆเลยค่ะจันอยาก อ, อย่างเดียวเลยค่ะโยมจะใช้ของปฏิจจสมุทบาทนะคะบทแรกเลยค่ะอวิชชาปัจจยาสังขาระอันนี้ค่ะโยมมาเปรียบเทียบตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของมันเราอยู่ตรงไหน เราอยู่ตรงอวิชชาตรงไหนความอยากของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มันคือการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปค่ะอาจารย์โยมจะอยู่แค่นี้เองค่ะอาจารย์ถูกต้องค่ะโยมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากท่สค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคนจุ๊บจังตอนนี้ลงเขาเรียกเรายังอยู่อยู่ยมันเขาอยู่นะมัสการค่ะอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเปไงตอนนี้อยู่ที่ไหนวะตอนนี้อยู่ ที่บนเขาค่ะพระอาจารย์ยังอยู่เลยังไม่หมดเลยยังไม่ครบเลยยังไม่ครบค่ะเลยอีกสามคืนค่ะรวมคืนนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์คะหนูมีคําถามค่ะมามาหนูมีคําถามค่ะจริงๆจะถามตั้งแต่วันเสาร์แล้วกะว่าจะจะเขียนถามไปตอนที่พระอาจารย์เอบัญญัติเทศนาใช่แต่หนูกลัวว่าเอ๊สิ่งที่เราถามไปมันมันจะไม่มันจะไม่เหมือนอ่านไปแล้วมันจะไม่ใช่ ก็เลยกลับมาทำอันนี้ค่ะคือเออเราเกิดมาเนี่ยเพื่อเพื่อมาดักกิเลสกันใช่ไหมคะเพื่อมาทําความเพียรดักกิเลสอย่างกิเลสที่มันเป็นพวกโกรธชังพวกหลงอะไรอย่างเงี้ยมันไอโกรธชังเนี่ยคือมันเป็นกิเลสที่เราไม่ชอบเราเราผลักมันออกจากตัวแต่ถ้าสมมติเป็นพวกรักพอใจ ยินดีอะไรเงี้ยเราจะดับยังไงเราจะใช้วิธีกา ร, ราในดับเห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งที่เรารักมันเป็นของชั่ว<ม>คราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเไลม้มาหมดไปมันก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจ ค, คือเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ค่ะคื อ, ห, อหนูก็ไปหนูก็มานั่งมามมาายืาพิจารณาดูนะคะก็คือเราก็พยายามใช้ใจรักษณ์ในการอธิบายในการที่ว่าจะ จะดับ <One> ด <input> ับม mm ันแต่ในกรณีอ <Lust> ย่างอย่างกรณีหนูเนี่ยคืออย่างเวลาที่เราแบบเออเราครูบาอาจารย์ก็สอนเราใช่ไหมคะว่าให้เรามักน้อยสันโดรอะไรอย่างเงี้ยเช้าค่ะแล้วก็มักน้อยสันโดริีดีตามมีตามเกิดเดี๋ยวแล้วเวลาที่เราได้อะไรที่มันเกินฝันขึ้นมาหรือเกินเกินความคาดหมายขึ้นมาอย่างเงี้ยคือถึงแม้เราเราจะได้เราได้มาเนี่ยเราจะพยายามแบบว่าเอ เนี่ยมันไม่ชั่วคราวนะมันเป็นทุกข์นะมันมันมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ลึกๆในใจอ่ะมันจิตมันยิ้มอะค่ะพระอาจารย์มันยังมีความแบบยินดีพอใจในสิ่งที่มันอยู่ยังมีอยู่เบกขาน้อยไปต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นพอมีอุเบกขานะปัญญาสอนแ้วมันก็จะมากลับที่อุเบิกขาน่เฉย อันนี้ใจเรายังไม่โอเบคขาไม่มากยังมีความยินดียังมีความรักชังกลัวหลงอยู่แต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆจะมีโอเบคขามากขึ้นแล้วความรักชังกลัวหลงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเฉยๆไนดะ้ทั้กับการได้มาทั้งกับการสูญไปได้ของมากก็ไม่ได้ดีใจสูญเสียไปก็ไม่ได้เสียใจ แสดงว่าการปฏิบัติของเรายัางขาดอุเบกขาอยู่มีปัญญาแต่ไม่มีอุเบกขายังยังทำใจให้นิ่งให้เฉยไม่ได้ยังมีรักมีชังมียินดีน่าอยู่เข้าใจไหมสัญญาขาดหายไปนะถ้าทําจอมันนิ่งไปเลยเาลาวรออูกสักแป๊บนึ่งก็ ก, ก, กลับมาบ่า ตอนนี้ฟรีสครับ อ, อ, อย่างนี้ไปที่ท่านตอไปก่อนทนะ่านแล้วท่านกลับมาค่อคุยต่อน ะ, อะไปที่คุณปุ้ยคุณปุ้ยจากรักเบิกอาจารย์รัอาจารย์อาจารย์เห็นโยไหมเห็ น, นไไหรือเปล่าของจริงหร่า <laughs> ของจริงรไงตจริงเสียงจริงคว่อาจารย์โอเค พระอาจารย์โยมจะมารายงานท่านพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนโยมแล้วก็โยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทุกวันเลยมาสะดุดตรงที่วันอาทิตย์โยมเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็แล้วก็เมื่อวานนี้โยมเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆ ม, ม, ม, ม, มันก็นอนหลับกลางวันทั้งๆ ท, ที่โยมไม่ได้ว่วงนอนแล้วโยมมีตัวขี้เกียจอีกแล้วพระอาจารย์ คือโยมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะโยมไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับคนแล้วคือว่ามันเหมือนกิเลสมันที่ซึ่งมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของโยมเพราะว่าโยมตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกตื่นตอนตีสองตีสามอะ่ะแล้วทีนี้พอโยมจะนั่งสมาธิ มันมีความรู้สึกเหมือนตัวอะไรก็รู้นเล่นอยู่ในตัวของโยมอ่ะเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเหมือนมีอะไรลุเออเอพันอยู่ในหัวมันทำให้โยมจะออกไปเกาเรื่อยเลยแล้วโยมก็หลายหนอโยมก็ลุกขึ้นมามันกนเลยเลยต้องนั่งเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรสติลวยังมีไม่ไม่มากพอมันลยยังไม่เฉยนั่นเอง ถ้าโยมก็คิดเหมือนกับที่พระอาจารย์สอนและโยมก็เลยเดินออกไปเอพุทโธโท teng, ยมออกไวพทท้พุทโธพุทโธโยมว่าทําไงดีว่าโยมต่อสู้กับตัวเองตลอดเลยพระอาจารย์ช่วงเนี้ยเพราะว่ามันอยู่สามวันเนี่ยแหละที่โยมต่อสู้กับตัวเองตลอดโยงว่าเป็นอะไ ร, รวะหรือว่าผีมันหลอกโยมหรือว่าอะไรโยมก็คิดอยู่นะคะพระอาจารย์อือแล้วโยมอพยายามปึกปลุกสติขึ้นมาท่านนั้นอย่าไปทอดไขยเลย รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้สติเข้ามาแก้ไขก็พอทำอุทโธไปพุโทโธไปเดี๋ยวสติเขาจะกลับมาทุกอย่างก็จะเป็นปกติเองพ <c oughs> ลังพระอาจารย์แล้วพอดีเมื่อเช้ายมลงไปตอนเ ส, สายนี่แหลคะค่ะโยมลงไปก่อนจะออกไปข้างนอกเออยมก็ไม่ว่ายมไม่ได้เบอร์หรือว่าไม่ได้จิตปรุงแต่งหรือว่ามันเป็นเพราะอะไร ยอย่าไปสนใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรแก้มันดีกว่าตอนนี้มันไม่มีสติรีบเอาสติกลับมาเท่นี้ก็จบยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใหญ่เยใช่ใช่เพราะว่ายมยมกลัวว่าถ้าเกิดยมคิดไปแล้วยมพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดอยู่ที่จิตยมยมก็ได้ให้รู้ว่ามันตอนนี้ไม่มีสติแล้วรีบเอาสติกลับมาก็พอน้มอยู่แค่ตรงนั้นนะ่ะพอมีสติใจ น, นิ่งแล้วมันก็ไม่สนใจนะ่ะอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย โยมมา<ะ>ตั้งหน้าตัาลุยปฏิบัติค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ดีสาธุเพราะว่าโยมตัดสินใจแล้วว่าโยมเดินทางมาศีล8แปดมาสามปีปีเนี้ยเข้าปีที่สี่แล้วและตั้งแต่ต้นปีมาโยมบอกว่าโยมจะปฏิบัติมากขึ้นทำได้คะ่ะดีถ้าไปอยู่วัดไปสถานที่ปฏิบัติได้กด็ยิ่งดีจะได้เข้มขน้นจะได้เข้มข้น อยู่บ้านก็ดีปฏิบัติบ้านก็ดีแต่มันไม่เข้มข้นกับเหมือนกับการไปอยู่ที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดที่เนี่มันมันมันไกลอ่ะพระอาจารย์วัดก็มาเมืองไทยเหรอคนหนึ่งเขาเดินทางมาเมืองไทยเข้าวัดก็มีไรยากเลยหพระอาจารย์ไปใส่บาตรนี่ยคือความฝันของโยมคือไปยืนใส่บาตรพระอาจารย์อ๋ออย่าใส่เลยบาตรไม่ไม่สำคัญหรอกไปภาวนาไปเก็บตัวดีกว่า <c oughs> แต่โยมเป็นอาจารย์ฮนะโยมนอกจากนีอะไรไม่มีอะไระ น, นะถวายรายงานกับพอาจารย์แล้วก็จะม า, อาบอกกับว่ากร า, าบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบขอบพระคุณหลวงปู่มัน่นแล้วก็เออหลวงตาแล้วโยมก็จะปฏิบัติตลอดค่ะใช่จ้ะขอบคุณน้อขอบคุณด้วยการปฏิบัติบูชานะใช่ค่ะโยมโ <Okay. S 2> ยมบอกแล้วว่าถ้าโยมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ โยมไม่ทําให้พระอาจารย์เสียชื่อเรากยังไงอาจจะย่อนไปหน่อยแต่ว่าโอ้ถ้าถ้าเสียชื่อแล้วก็เราก็ปฏิเสธเราเป็นทูกศิ์เราแล้วนไม่ไม่มีละโยมตัดใจแล้วโยมเดินแล้วคือว่าไม่ถอยหลังค่ะพระอาจารย์โอเคดีรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนะถูกต้องค่ะพระอาจารย์ขอ้กให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะยสาธุเดา ขอพลังพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะขอให้จเจริญด้วยอายุวันโนสุ ข, ขังพลัง <c oughs> อ่ากลับ่าที่คุณชุ๊ปก่อนเมื่อกี้คุยกัยังไม่จบจุ๊กหายหลุดไปคาดอุเบกขาเข้าใจไหมเมื่อกี้เนี่ยยังดีใจยังยินดีอยู่ยังชอบอยู่อุเบกขา<ม>ยังน้อยอยู่อืก็คือเราต้องฝึกจนจนเรามีอุเบกขาจนเหมือน เฉยๆแบที่พระพุทธเจ้าใ ช, <อ>ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้ า, าท่านมีอุเบกขา เ, เ, เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเฉยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้อ่านั่นแหละไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รารับรูไม่ว่าจะดีแล้วไม่ดีแล้วก็ฉเฉยใครชมแล้วก็ไม่ดีใจใครด่าแล้วก็ไม่เสียใจมันมันมันกว่าที่พระอาจารย์จะปฏิบัติจนได้ขนาดนี้มันยากไหเจ้าคะมันไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกนั่งปุ๊บปับ๊บสองสามนาทีก็ได้ จีตก็รวมได้ถ้ามีสติหมามีสติต่อเนื่องสักสี่ห้านาทีก็รวมได้อืก็ไม่ต้องไปสนใจแอบสักว่ารู้ฝักสักว่าได้ยินเท่านั้นใช่ไหมเจ้าคะมันเป็นมันต้องเป็นไปตามตามสภาวะของจิตเองอันนี้เราไปฟังเฉยๆเราจะมาดัดจิตทาให้มันไม่ไม่ยินดีไล่ไม่ได้หรอกเราตัวเราเองไม่ได้หรอกโอะฉันไม่ยินดีฉันไม่ยินไล่ นนอนไม่ได้หรอกของวุ่นนี <S <S ออ้อย่งอย่งอย่างที่หนูได้ฟังว่าได้ของดีมาก็ยังอดดีใจไม่ได้ยังนอนมันอดยิ้มมันอดยิ้มในใจลึกๆไม่ได้ค่ะอาจารย์ <S <S ยิ้มก็ดีใจอืะอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ก็ลวยก็แล้วกัน่าจิตเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องพยายามฝึกสติมากงสมาธิให้มันรวมให้ได้จิตยังไม่รวม ไม่ถ้าจิตรวมแล้วมันจะมันจะนิ่งเฉยจริงๆเวลาทำมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่มามามาคิดว่าเราจิตเรารวมแล้วจิตเรานิ่งแล้วมันนั่นเป็นความคิดไม่ใช่เป็นความจริงแลค่ะไม่เป็นไรทาไปแต่ไม่ต้องกังวลนะค่ะอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าจิตเรายังยิ้งอยู่มันดางนั้นเราก็มองเห็นจิตเราว่ายังมีกิเลสอยู่นะ เจะได้เตือนใจแล้วว่าอย่าประมาทพยายามปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คะมีคาถามได้ว่ามาพรอาจารย์พูดให้ให้จบเมื่อกี้ก่อนก็ได้จะถามว่าจะอยู่อยู่ทั้งหมดกี่กี่คืนนะอยู่ทั้งหมดเก้าคืนค่ะอาจารย์อได้รับประโยชน์ไหมที่ผ่ามาเจ็ดคืนเนี่ยอาจารย์คะหนู หนูดีใจที่หนูได้มาที่นี่ค่ะมันมันเหมือนกับว่าเราได้อยู่กับตัวเองค่ะเราไม่ต้องมาคอยทวงว่าใครจะมาเรียกเราไปทํางานจะมาใช้เราทํานู่นทํานี่คือเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆแต่หนูก็ได้เห็นตัวเองว่าเออหนูมันไม่ได้เรื่องค่ะว่าอาจารย์หนูหนูก็ใช้เวลาได้ไม่ได้ไม่ได้ตามที่เราเป้าเป้าหมายตั้งเป้าเราไว้แล้วก็ยังอเลเกคขาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ดีแล้วก็จดข้อบกพร่องไว้ละวคราหน้าแล้วก็มาปรับปรุงใหม่ อคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เดินทางสายกลางแต่ครูบาอาจารย์ของเราอ่ะท่านบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายตกลงมันอันไหนกันแน่คะพระอาจารย์ก็อันเดียวกันนะทางสายกลางก็ต้องเจอความตายเหมือนกันที่ท่านไหวยอยู่ละทางสายกลางก็คือมันมีวิธีดับทุกข์อีกสองทางเนีลยที่ไม่ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์วิธีดับทุกข์โดยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเนี่ยอ ดับด้วยการมาสุขดับไม่ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆนั่งบนที่นั่งที่แหลมคมเอาของคมมาขีดร่างกายยืนตากแดดไม่ตัดผมไม่อาบน้าอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเหล่านี้ดับความทุกข์ไม่ได้ mm hmm. ทางสายการก็คือทางแห่งมรรคผลทางแห่งสายการกคือทางแห่งศีลสมาธิปัญญาไง แต่ก็ยังต้องเจอความตายเพราะจะเป็นโสดาบันได้ต้องปล่อยร่างกายต้องไม่กลัวตายเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปกลัวทำไมกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตา ย, ก ล, ก, ตายกลัวแล้วเราทุกข์ปล่ า, าถ้าเราไม่กลัวเราก็จะไม่ทุกข์ฉะนั้นเองความหมายเพราะอยู่ฝากตายคือต้องยอมตายถึงจะเป็นโสดาบันได้แล้วค่ะ ก็ต้องไปหาความตายที่สุดโดยเรายอมนะอย่างไปอยู่ที่เนี้ยในคืนนี้เราออกมาเดินเพ่นพายข้าง น, นอกเลยไม่ต้องฉายไฟโอ้ไม่ไม่ฉายไฟเลยอะค่ะพระ<น>เจ้าหนูนทุกเช้าหนูทุกเช้าประมาณตีห้าครึงค่งอะไรเงี้ยค่ะหนูน อ, นออกไปเดินที่ลานจากจากที่นี้คะ่ะตรงไปเดินที่ลานข้างล่างเมือ่อเ้าลองเดินในคืนนี้ไม่ต้องเปิดไฟยอมตายเลยถ้ามันกลัวยอมตายไปเลย เพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพระอาจารย์หนูส่องไฟฉายหนูก็นึกว่ะใบไม้แล้วก็เดินแบบจงกรมสลับไปสัมมาก็นึกว่าใบไม้พอเดินพอฟ้ามันเริ่มสางขึ้นมาแล้วอ่ะมันเป็นหนูตายค่ะตัวเบลอเลยค่ะเลยคะต้องต้องคันถ้ากลัวตายว่าจะตายก็ตายถ้าถึงเวลาจะต้องตายถ้ามันไม่ได้ก็ยอมตายไปเลยนี่ละพากตายความมาอยู่ตรงนี้ต้องยอมตายต้องไปประเผชิญกับความตายให้ได้ แต่จตาจริงไม่ตายจริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเคริดว่าเราจะตายแล้วเรายอมตายเนี่ยความกลัวตายจะหายไปอ่าก็ค่ะนะอางนี้ต้องพร้อมใจต้องมีสมาธิมากก่นต้องไม่อวบเอะขาก่นโอนโหแค่พระจันทร์แค่แบบข้างฝาข้างฝาเนี่ยแบบมันมีตุ๊กแกตัวเล็กๆเกาะ อ, อยู่แล้วข้างๆตรงที่ระเบียงข้างล่างอ่ะมีแบบทิ้งก่าตัวหนึ่งอ่ะ อยู่มันก็ก็ดินไปดินมาหนูเดินจงกรมผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่รอบขนหนูยังลุกเลยค่ะพระอาจารย์ยังกลัวอยู่มัคือสัตว์เลื้อยคานกับห น, นูมันไม่ได้จริงๆคะ<อ>่ะพระอาจารย์แต่แต่ที่ดีนะคะอเปิร์กสติสมาธิไปเรือเร่อยๆต่อไปก็จะมีก๊มีพลังมากค่ะอืม ที่นี่ดีนะคะพระอาจารย์แบบอยู่ใกล้ธรรมชาติมากเลย mm hmm. หนูนั่งอยู่ตรงระเบียงเนี่ย mm hmm. เห็นตะกรวดตัวใหญ่ๆ mm hmm. เดินเยอะแยะเลยคะ่ะพระอาจารย์ต้องสามสีตัว ถ, ถ้าอยู่มีอะไรบอกอข้ออะไรก็บอกคนที่เขาเราติดต่อได้ ก, ก็ไม่ดีกักเสียเลยห์เขาจะได้รู้เขาจะได้ส่งคนมามามาซ่อมอะไรเบาไหมไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ถือว่าเป็นการบน่นเป็นการช่วยเหลเพราะคนที่เขารับจองเขาก็ไม่เคยมาดูอ๋อเจ้าค่ะ เขาจะได้บอกทางเจ้าหน้าที่ต่อไปผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มาซ่อมแซมให้อเมื่ออยากมีไฟในห้องครัวนะคะที่แบบไม่ติด อ, อ, อ, อลองบอกเข้าไปช่วยบอกเข้าไปบอกออบอกบอ ก, บอกพระอาจารย์สั่งมาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าใครมาอยู่แล้วก็มีอะไรเสียหายตรงไหนที่ต้องดูแลซ่อมแซมก็บอกไปนะทางพระอาจารย์จะจัดการหาคนมาทําให้เจ้าค่ะนะแล้วก็มีแล้วก็มีอีกอันนึงอ่ะห้องน้ําค่ะพระอาจารย์ คือถ้าสมมติคนขี้กลัวมาอยู่นี่คงจะแบบกลัวเนี่ยวผีวมันมากดชักโครกน้ำแน่ๆเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่จุกที่แบบเวลากดลงไปมันมันติดไม่แน่นเพราะฉะนั้นน้ํามันก็ไหลเรื่อยๆแล้วเจ้ทอมก็จะมีเสียงแบบโครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อดีต้องอะไรต้องซ่อมต้องซ่อมเสียงไม่งั้นเดี๋ยวเสียน้ำไปเบาๆใช่ค่ะอ่าได้บอกได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกบอกคนที่เราจองนะบอกว่า ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าช่วยช่วยดูแลดูให้หน่อยว่าตรงไหนมันบกพร่องช่วยแจ้งให้คุณแล้วเขาจะติดต่อให้เขาจะให้เขาสลายงานมาให้ทางเราก็ได้ะ ถ, ถ้ากรักษาอันนี้พูดตรงนี้เผื่อคนอื่นที่ที่เข้ามาใช้บริการก็จะได้ยินได้ฟังด้วยอะลรขอถือโอกาสให้พูดทางทางช่องทางนี้ไปไม่เวลบอกได้ไม่ได้บ่นไม่ได้ตําหนิอะไร ของที่มันเสีหายก็ต้องต้องมีคนช่วยบอกอย่างจะรู้ใช่ไหมค่ะอืมโอเคของมีครบครันมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่ามีคนมาแล้วก็เขาก็เอาของมาไว้เพิ่มกันเรื่อยๆอย่างพวกสกอตไบต์น้ำยาล้างจงล้งจานถุงถุงขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทานไปในตัวนะค่ะ แต่ย อ, อย่างถ้าจะทำได้คือช่วยทำความสะอาดด้วยก่อนที่จะกลับไปจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเข้ามาทำทำอีกทีหนึง่งมันไม่นห้องนิดเดียวกวาดทุกแค่ห้านาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนิดเดียวเองค่ะพระอาจารย์ช่วยเก็บก็เอาของให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะกลับแ่นันเองคนอื่นที่เข้าเข้ามาเ็าจะได้ใช้ได้ใช้ไ ด, ใได้ใช้ต่อไปได้เลยดียดีมากเลยเจ้าค่ะแบบโหนมา ปฏิบัติที่นี่หนูอนุโมทนาบุญกับคนที่สร้างคนที่รับจองอะไรเงี้ยเออแบบดีจังเลยที่ทำสถานที่นี้มาให้เราได้ปฏิบัติกันนะคะมีแต่พลังงานดีเกันไปหมดที่เราจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรนอกจากปฏิบัติธรรมนี่หายากนะดีแอมดีดีตรงที่ว่าถ้าสมมติไม่ได้เตรียมข้าวมาก็สั่งพี่พี่ตุ้มได้ค่ะคนส่งอาหารให้ใ บางคนนี่ยอย่างมีอินโดนีเซียคนหนึ่งมาอยู่12วันไม่กินข้าวเลยทั้ง12วันเอขาก่งค่ะเพราะจะรย์รู้ไหมคะวันที่พระอาจารย์บอกให้หนูอดสองวันหนูอดจริงจนะคะแต่วันแรกนี่คือหนูภาวนาไม่ได้เลยมันกิเลสหลงมากเลยอ่ะเพราะมันฟงมันบอกมันบอกว่าคือเอาน้ำกินน้ําเยอะมากแล้วพอกินน้ําแล้วเราก็มองไปที่กองน้ําที่เขาเตรียมไว้อืมกิเลสมันบอกว่า วุ้ยน้ำแค่นี้พอหรอกดูสิขนาดนี้เรายังกินเยอะขนาดนี้ออกไปเลยออกไปซื้อเนี่ยเซเว่นเนี่ยออกไปเลยจะได้แบบไปซื้อไปซื้อข้าวมาเตรียมไว้จะได้ไม่ต้องเอ่่อไมต้ง๋เก่งใจพี่ตุ้มไม่ต้องให้พี่ตุ้มส่งข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโอ้โหกิเลสมันหล่อเราอย่าออกถ้าเราไปอยู่เราก็ต้องเก็บตัวค่ะนอกจากข้อเรื่องคอขาดบาดตายไม่สบายต้องมปโรงพยาบาลในทำนองนี้ถ้าอย่างอื่นนะบอกให้ตุ้มก็ทําให้ได้ก็บอกให้ก็ทําให้ก็ได้ออื ทีเขาดีมากเลยค่ะพระอาจารย์อโอเคขอให้พระจับขอให้เจอของดีๆนะทําอะไรค่ะจับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อธุลค่ะโอเคเนี่ยวพอกลับไปที่คุณปรางวไลก่อนอ่าคุณปรางวไลเจินะแบบนมัสการค่ะไม่มีคําถามค่ะแล้วก็ปฏิบัติบูชาค่ะอาจารย์โอเคสาธุคุณมณิกาเจิน์มณิกานาราธิวาล กับนามัส ก, การเจา้าข้าพเจ้าอาจารย์มีอะไรไหมก็นูกก็ว่าเข้ามาความถามว่าคอดีเมื่อเมื่อตะกี้พระอาจารย์พูดกับคุณจุกก็ได้คำตอบแล้วจากพระอาจารย์ในเรื่องของความยินดีความรักความชังและความกรุที่ที่เข้ามาเป็นแบบทดสอบแต่ว่าก็คือ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราต้องมากมังวลแล้วก็มาปรเชิญอยู่ว่าความที่เราโลภแล้วก็จากหนึ่งก็คือความโลภทําให้เราเกิดความทุกข์และเมื่อเกิดความทุกข์แล้วนั่นคือเราไม่ได้รู้ว่ า, วาเราเราไม่มีอุเลยขาแลนะเราไม่มีปัญญาที่ต่อตู้กับมันจะสบายจาใจได้สบายใจ เ้องพิจารณาปัญญา บ, าบา่อยๆพิจารณาตายรัก บ, บ่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ น, นี่ออคือสำหรการเข้าสมาธิใช่เจ้าค่ะดังนั้นการเข้าสมาธินันก็คือบางครั้งก็มันก็ยังยังล้มลุกคุกคราญอยู่เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าไอ้ตัตวตัวความยากมันมาแล้วล่าตัวกิเลสมามาสกัดเอาไว้แล้วนะต้องใช้เวลาแต่พอพอ ถึงเวลามันแล้วก็คล้ายๆกับว่าเวลามันน้อยเกินไปเจ้าค่ะอาจารย์เวลาชั่วโมงหนึ่งชสองชั่วโมงนี่มันน้อยเกินไปแต่ว่าเขาจะมากกว่านั้นก็ไม่มีเลยนี่คือปัญหาที่ว่าการที่เราอยู่บ้านการที่เราอยู่บ้านที่ต่างากับการได้ว่าอยู่บนเขาเหมือนกับที่ผู้ชมพูดนั่ น, หนแหละนะว่าถ้าเราอยู่บนเขาทั้งวันทั้งคืนเราสามารถปฏิบัติได้ S <S ก็ยงไปถึงที่นั่นแหะค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่าก็ถามว่าก็จะไม่ละจะไม่เลิกแล้วก็จะพยายามเดินต่อไปเก็บทีลนิดทีละหน่อยก็จะเกิบค่ะพระ า, าขอให้ทแบบต่ำดีกว่าทำแบบกระต่ายนะค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกับที่ว่าพระแ่งบอกว่าได้บอกพระอาจารย์ว่าตื่นขึ้นมาช่วงเพราะว่านอนนอนเต็มอิ่มแล้วพอนอนเต็มอิ่งแล้วประมาณ ช่วงทีสองดีสามถ้ามีถ้ามีแรงที่จะลุกขึ้นก็จะรีบปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มาทำกับข้าวทำอะไรให้คุณพ่อแล้วก็ต้องออกไปนที่สวนนันยนจะทำสวนจุด ก, าาก็าพ่ะจานพอความจุดนี้บางทีก็บอกว่าเราเอาไปไหนอายุตั้งหกสิบหกแล้วเลยแล้วปมนั้นจะแต่ว่าก็คือเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเราก็ต้องทำในจุดนี้ ก็คือคล้ายๆกับความโลภความโลภเหมือนกันอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ลูกต้องตัดของลูกเองแลว่าพอแล้วยังครับอาจารย์พอแล้วหรื อ, อยังแล้วไม่มีคําถามคใช่ยันไปที่คุณตายต่อคุณตายเป็นไงพอหรื อ, อยังคุณตายครับค <c oughs> นะําถามนี้น่าถามดีนะ ไม่มีคําตอบเลยไม่รู้จะตอบยังไงเลยพ่อจ si ันพูดไม่ออกก็อันนี e> ้ก็มาร่วมรับฟังธรรมค่ะพ่อาจาย์ขัดเกลื่อนิสัยตัวเองไปเรื่อยๆค่ะโอเคยังนักษาจตจ่าที่ตั้งมาอยู่ก็หลุดบ้างค่ะพระอาจารย์แต่วันนี้ก็ไม่ได้ทานข้าเย็นแต่วานนี้หลุดค่ะสติไม่พอวานนี้ทํางานหนักเลยลุดไปได้ตัวกินหน่อย ใช่ค่ะแติเติมกําลังเลยใช่ค่ะแต่แต่ถ้าวันไหนถ้าแบบหลุดแล้วไปทานตอนมื้อเย็นเนี้ยพระอาจารย์ไม่มีแรงนั่งสมาธิแต่ถ้าเราอดมื้อเย็นเนี่ยได้ทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์ ไ, ได้ทุกครั้งเลยเกินแล้วมันง่วงมันจะขี้เกีสังเกตตัวเองแล้วแบบวันไหนถ้าเรากินนะอ่ะเผลอเผลอกินอย่างเงี้ยพระอาจารย์เผลอกินปุ๊บอาละนั่งไม่ได้แล้วอยากจะนอนอย่างเดียวเลยก็ ถ้าวันไหนก็คืออาทิตย์หนึ่งถ้าจะหลุดก็หลุดประมาณสองวันอย่างเงี้ยพ่อาจาันสองสาวันก็มีบ้าง<ม>แต่อาทิตย์นี้ก็หลุดหลุดเมื่อวานเมื่อวานค่ะพ่อจ<ม>ันอาทิตย์หน้าอย่าหลุดเลยนะวันถ้าอาทิตย์หนึ่งค่ะจะ <Okay. S 2> พยายามถามพ่อจาันกับพระพุทธศาซนโอเคอดทนเลยนะต้องอดทนไอทางนี้ต้องอดทนะท หมดกัน้นสู้กับความทุกข์ยากลำบากนะค่ะพระอาจารย์แต่ก็ <Okay. S 2> ยังไม่ล ด, ดทําบุญแล้วก็จะพยายามนั่งสมาธิแต่ก็ปีนี้ก็ถือว่าได้นั่งเยอะกว่าได้ยังนั่งเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์น <Okay. S 2> อก็ด <Okay. S 2> ีค่ะค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค <Okay. S 2> ่ะคุณโกตคุณโกตอนนี้หนาวไหมที่บ้านหนาวมากเลยนะจ <ำ S 1> ากนอนการก็เจาค่ะ เมื่อสองวันที่แล้วอะค่ะตอนที่พายุฮิมะเข้ายูเอสอะค่ะก็เย็นเย็นไปถึงลบสิบเจ็ดองศาเลยค่ะอาจารย์ช่วงกลางคืนลบสิบเจ็ดนี่หมายถึงตามกับศูนย์ลงไปเลยใช่ค่ะลบสิบเจ็ดเหมือนในฟรีเซอร์เลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าตอน ทางที่สององศามันก็มันอันนี้ที่พูดหนึ่งเน่เป็นเซลลิเกสเซลเซียสค่ะอาจารย์เซลเซียสเพราะว่าชินกับเซลเซียสก็เลยจะดูเป็นเซลเซียสเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้กลับมาปกติแล้วเมื่อวานนี้ก็กลางวันก็สิบสิบสององศาค่ะอาจารย์คืออากาศสวีทมากสบายดีเจ้าค่ะอาจารย์สบายดีค่ะออกไปข้างนอกได้ใช่ค่ะ วันที่หนาวก็ออกค่ะอาจารย์ก็ไปไปไปเยี่ยมญาติญาดิขากลับก็เนี่ยค่ะประมาณลบสิบเจ็ดก็กลานลงเลยหรือเปล่าลงุงม่านไม่ไ ไม่เยอะเท่าฝั่งบอสตันฝั่ง น, นิวยอร์กค่ะเพราะว่าปีนี้ถ้าโคโลราดอนคือหิมะน้อยผิดปกติเจ้าค่ ะ, ะน้อยมากแต่วันที่ช่วงที่พายุหิมะเข้าเราก็ได้เหมือนกันแต่ได้น้อยกว่าหลัดอื่นกตก็ ม, <ะ>มันก็มีข้อดีที่ว่ามันก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ตามปกติ<ะ>แต่แค่ว่าอากาศมันจะหนาวมากๆถ้าคนไม่แข็งแรงคนสูงอายุ ก็ไม่ควรออกเพราะมันจะสถานเย็นเกินไปไม่ต้องตัดพีม่าออกจากทางเดินนีถ้าหน้าบ้านต้องต้องตัค่ะตรงไรเฟ่ใช่ค่ะใช่แต่ไม่ได้ถือว่าเยอะค่ะถือว่าถือว่าแบบน้อยมากสำหรับเมืองภูเขาเมืองพิม่านะคะก็ไม่มีแะไแน่นอนนะคะนิจันทุกอย่างในโลกนี้ใช่จ้าใช่ใช่ก็อากาศปีนี้ ช่วงดือนธันวาคมก็มีทั้งลมแรงรมแรงแล้วพอไม่มีหิมะเขาก็จะกลัวเรื่องเรื่องไฟป่าค่ะ<ม>เขาก็จะบังบางโซนเขาก็ดับไฟนะเจ้าค<ม>่ะดับไฟเพื่อว่าป้องกันไปให้เพราะปีที่ปี 2000, 2021เมืองเมืองที่โกอยอ่ะค่ะก่อนคริสต์มาสก่อน y ิ a ีวันนึงลมแรงแบบนี้เลยค่ะแล้วไม่มีหิมะก็ ไม่ไปพันกว่าหลังนะคะอาจารย์ออืืมเขาก็จะกังวลเรื่องนี้มากตัวตัวโกเองถ้าขึ้นไหนอลมแรงมากๆแล้วทหมาไม่ตกหลายๆวันไหนเพราะว่าไม่มีความชื้นเลยเราเร า, เรานอนเรายัางกังวลเลยค่ะโก้ไฟมากไฟป่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันสปาร์คนิดเดียวคืออเร็วมาก เ, เลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ใชแ่แล้วแล้วถ้าลมแรงคือแค่สเก็ดไฟนิดนึงคือ มันไปได้ดทุกทีใช่ค่ะใช่ใช่คะ่ะก็วันมากลาวขอบพระคุณพระจานทร์ก็โกภาวน า, าคือจะเคยสวดมนต์บทยาวๆอ่ะปรับมาเป็นสั้นลงแล้วรู้สึกว่าสงบมากขึ้นแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีขึ้นแต่ยังไม่สั้นขนาดที่จะเป็นการบริกรรมนะคะคือเหมือนเรา เราชอบคําบาลีแล้วก็ยังชอบชอบชอบสวดอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์<ด>แต่ก็ทําใช้ไ ด, ได้ขอให้ขอให้สวดให้มันมีสติไม่ให้มันคิดมากแล้วกันแ ล, แล้วเวลาสวดอ่ะค่ะพระอาจารย์พอจิตนิ่งแล้วอะมันมีผลลับเหมือนกันทุกครั้งเลยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าวันนี้ยเราสงบมากสงบน้อย ก็ลองสังเกตตัวเองมันจะอยู่ได้สงบแบบไม่มีความคิดแล้วเราเรารู้สึกมันนิ่งอนยะมากสุดสามสิบวิแล้วมันก็เด้งออกมาแต่ก็พยายามเข้าไปใหม่มันก็จะเข้าเข้าออกออกแบบนี้ค่ะอาจารย์ใช่เยเรามีกำลังท่านนไม่สามารถให้มันอยู่นานได้ต้องพยายามฝึกสติก่อนเวลามานั่งด้วยทั<ะ>้งวันเลยพยายามฝึกสติเริม่มต้นตื่นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลย เขาดูว่าเรากำลังทำอะไรอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยอย่างถ้าเวลามานั่งแบบหลัแบตบารู้สึกว่าเข้าความสงบได้แบบคือทารู้สึกว่ามันคล่องในระดับนึงแต่พอลืมตาพระอาจารย์มันเฟืองมากเลยก็แบบเหมือนเรจะพยายามทำที่พระอาจารย์อสอนก็คือเตรี ย, ายามอยู่กับคำบริกรรมต่าง ความแตกต่างในการเข้าถึงความสงบอะหลับกา ง, ง่ายกว่าเยอะเลยเจ้าค่ะได้หลับตาดีดีที่ดไม่ควรจะลืมตาไม่ต้องไม่ต้องลืมตาแต่ถ้าในในชีวิตประจาวันที่เราต้องทำเออถ้ า, ถ, าถ้าทำางานก็ต้องลืมตก็ต้องดูด้วยสิ่งที่งานที่เรากาลังทาอยู่อย่าไปสนใจอย่างอื่นกาลังอหันพักก็อยู่กการหันพักมาเรื่อยๆอย่าไปมองเรื่องอื่น อ, อย่าไปคิดเรื่องอื่น วันแวบก็ดึงลับมาแวบก็ดึงลับมาเราจะใช้พุทโธช่วยด้วยก็ได้อันภักไปก็พุทโธพุทโธไปด้วยก็ได้หรือบริกรรมยาวกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมคะใช่ารัสมาสาพุทโธไปก็ได้ถ้าตลาเราชอบแบบนั้นแล้วถ้าเราทาพอเราเราเราเราชินกับประโยคนี้อ่ะสัก ระยะหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆทําให้สั้นลงสั้นลงสั้นล ง, ลงอีกหน่อยเราจะพัฒนาได้ไหมคะอาจารย์ได้ๆต่อไปก็เหลือแค่คำเดียวสั้นๆก็ไดห้หรือไม่ต้องบริกรรมเลยก็ได้ต่อไปบางทีก็ดูอย่างเดียวก็พอดูลงหายใจเลยพ อ, อค่ะใช่ถ้านั่งก็ดูลงหายใจถ้าทางานก็ดูงานที่เราทํา Mm hmm. mm hmm. ถ้าเราหัรนักก็ต้องอยูดดูการหัรนักกำลังตากอาหารเข้าปากก็ต้องดูการตักอาหารเข้าปากกำลังเคี้ยวกำลังเกินนี่ก็ต้องดูทุกขณะเลยทุกขั้นตอนของการทำงานเรียกว่ามีสติฝ mm hmm. ึกสติไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นไม่ใช่ตักอาหารไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงันนี้ไปด้วย mm hmm. อันนี้ไม่มีสติในทางปฏิบัติไม่ถือว่ามีมสติ มีสติต้องอยู่กับการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียว<ม>ถ้ามัน<ม><ม>จะไปกินทางโน้นทงนีง้ก็ใช้พุโทโธก็ใช้สวดอะไรไปเดิงกลับมาด้วยก็ได้แต่<ม>ยังก็ต้องเฝ้าดูงานที่เราทำอยู่เป็นหลังอยู่ลองทําดูไปเรื่อยๆสตินี้สาคัญมากจะตอบเวลานั่งสมาธิจิตมันก็จะนิ่งได้นานขึ้น เวลามันเน่งเรามันเน่งได้นานขึ้นอืก็เลยกลายเป็นว่าพอหลับตาแล้วมันง่ายเลยชอบไปหลับตาบ่อยๆชอบแไปห่างเว้หลัแบบปลีกไปไ ป, ไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์บ่อยๆเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าหลับตาได้ก็ดีถ้าทํางานก็ต้องเลีมตาแล้วแล้วอุเบกขาอย่างที่ที่คุณจุบว่าคือถ้าเรามีแล้วอ่ะ ลงมีเลยหรือว่ามันขึ้นอยู่กับกำลัง ส, สมาธิในช่วงนั้นช่วงนั้นนะคะถ้ า, าเราเราเราไม่ทำต่อมันก็เสื่อมลงได้ถ้าเราทำต่อมันก็จะอยู่เท่าเดิมหรือมากขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาการนั่งสมาธิของเราถ้านั่งได้บ่อยขึ้นอเมริามันก็จะมีมากขึ้นนานขึ้นเหมือนกันน้ำมันรถนถ้าเราเติมบ่อยๆน้ำมันก็จะมีอยู่ในในรถเยอะก็จะวิ่งได้ไกล ถ้าราหน้าสมาธิแล้วจิตสงบได้บ่อยขึ้นได้บ่อยขึ้ น, ไ ด, นได้มากขึ้นอุเบกขาที่มีอยู่ใน์มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้มันการนั่งสมาธิอะ่ะคือถ้าเทียบเทียบกันความสว่างกับความว่างความสว่างเนี่ยคือมันเปรียบเทียบได้กับเราได้จากการนั่งสมาธิแต่ความว่างคือการมีสติที่อยู่กับปัจจุบันขณะโดยที่ ม่คิดเรื่องอื่นมันมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ไม่เป็นไรว่างสว่างนี่มันเป็นผลรลอยได้มันไม่ใช่เป็นผลหลักเวลาเราคือต้องการให้มันนิ่งให้มันให้มันนี้เป็นโนเบกขานั่งอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่สว่างก็ได้ไม่นิ่งก็ได้ไม่ว่างก็ได้แต่เวลานั่งสมาธิจิตนิ่งสงบก็แล้วกันให้มันนิ่งให้มันสงบจะสว่างหรือไม่สว่างไม่เป็นปัญหาะไร แต่เวลาเนี้ยมันก็ต้องว่างความว่างนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่จิตเราสงบถ้าสงบมันก็จะว่างเพราะมันไม่คิดปรุงแต่งที่มันไม่ว่างเพราะเราไปคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่ว่างขึ้นมาแล้วสว่างก็เกิดจากความจิตที่สงบเหรอเจ้าค่ะเออบางทีก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีไม่แน่ความสว่างนี่มันไม่แน่ก็ไม่ต้องไปสนใจ สนใจที่อุเบกขาวางเฉยได้หรือเปล่าแล้วความสว่างเราจะรู้ไหมคะพระอาจารย์ว่าเราสว่างอ่าถ้ามันสว่างก็รู้เลยถ้ามันไม่สว่างถ้ามันมันเป็นปกติมันไม่รู้สึกแปลกประหลาดก็มันก็รู้ว่ามันไม่สว่างมันเป็นธรรมดาถ้ามันสว่างมันจะรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาเหมือนใครเปิดไฟขึ้นมาในห้องอเงี้มันสว่างขึ้นมาแต่ไม่เป็นประเด็นสําคัญสว่างหรือไม่สว่าง ขอให้สงบแล้วไม่สงบสำคัญเนื่งแล้วไม่นื่งว่างแล้วไม่ว่างสำคัญกว่าโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะคะมาพักคุมเถอค่ะอ่าตาตัวอ่าเป็นหมอสุทาเสน่ห์เป็ไงอ๋อสว่างไม่สว่างหรือไม่ไม่เป็นประเด็นทําคันไม่ไม่สําคัญเจ้าค่ะอ่าสําคัญที่หนึ่งแล้วไม่หนึ่งใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ อ่าสุขและไม่สุขเนี่ยสัมพันธ์บางอืสงบหรือไม่สงบเจ้าค่ะอ่าดีพยายามรักษาความสงบให้ได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่นั่งและทั้งขณะที่ออกจากสมาธิมาด้วยเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์จะพยายามเจ้าค่ะอืมลูปไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคดีสาธุขอบคุณค่ะอ่าคุณแอนต่อตอันนี้ขึ้นเชียงใหม่แล้วเหรอ หรับนบมสัสการหลวงพอ่อเจ้าค่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่เจ้าค่ะอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะเสีงยงกาะเสีงยงคุณพ่อเลยเออคุณพ่อเข้านอนไปแล้วใช่ปะยังคนอะไรจะใทรกเข้ามาหรือเสียงหรือเสียงผีเข้ามาหลวงพอ่อก็เนี่ยวันนี้หนูแบบว่าดีใจมากเลยที่ที่ได้เขา้านั่งทูซีหล่อจนได้เข้ามาคุยเจ้าค่ะ หลวงพ่อหลวงพ่อทักนี้หนูก็แอบอคิดนะเจ้าค่ะไม่ได้ยินเสียงผู้ชายหรือเสียงคุณพ่อไม่ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินค่ะม่ใครได้ยินได้ยินคนเดียวสงสัยเขามากราบหลวงพ่อหรือเปล่าไม่ทราบเจ้ที่นี่หลวงพ่อหนุนหลุกเลยอันนี้ไม่ได้เล่านะพูดจริงๆมมีเสียงมันผู้ชายเสียงคนแก่เหมือนคุณพ่ออันนุณว่าคุณพ่อเหรอเชี่ยวคุณพ่อจะมาร่วมคุยด้วย แต่หนูไม่ไ ม, ไ, มไม่แปลกใจเจ้าค่ะที่คื อ, อที่พูดตรงๆว่าว่าว่าที่นี่ก็มีคนมีคนทักบ่อยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรใช้สติสู้กับเขาไปใช้เฉยไปอะไรเกิดก็ใส่แต่ว่ารูไปไม่มีปัญหาอะไรค็พีเจงไม่เราเสียงเข้าใจดีไหมคะก็เสียงคนแก่ออะไรเงี้เ <c oughs> มื่อกี้ย่าโยคนนึ่นได้ยินหรอพยักหน้าหน่อยได้ยินเนี่ยได้ยินทุกคน ได้ยินนียได้ยินเราไม่ได้คนเดียวมัยหนูไม่ได้ยินอยู่คนเดียวค่ะเพราะหนูหนูไม่ชอบได้ยินไม่เป็นไรเราจะไปสนใจอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเลยครับรู้จ้กค่ะแต่แต่แต่ว่าอืมที่บ้านที่หนูเคยถามหลวงเคยบอกหลวงพ่อข่าวบ้านหลังนี้คือจริงๆมันสัตว์ปลายะมากเลยนะคะหนูหนูหนูหนูได้ที่ถ้าพูดถึงบ้านหลังนี้คือหนูได้ที่ที่เนี้ยมาโดยแบบ แบบมหาศย์นะคะคือหนูไม่มีเงินเลยตอนนั้นนะคะแต่หนูได้ที่ได้ที่ตรงนี้มาแล้วก็มันเป็นสเต็ปแบบสเต็ปสเต็ปหนึ่งสองสามแบบค่อยๆไล่ม า, ม, ามีคนช่วยหนูจนได้ที่ได้บ้านบ้านมาเนี่ยบ้านที่เขาสร้างไว้เสร็จแล้วเริ่มเดือร้อนแล้วใช่ไหมแล้วเรามาสร้างเลมาเสร็จมาสิบปีแล้วค่ะแต่คือหนูก<ม>็ยังไม่ได้ตัดขึ้นมาอยู่ ก็คือเหมื น, น้อยก็ยังทํางานอยู่กรุงเทพเป็นลหลังโดดเดียวโดดเดียวเขาบอแล้วก็มีบ้านข้างบ้านเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันคือที่ตรงนี้ก็คือเขาทําแบ่งเขาเป็นโครงการนะคะก็คือถักแปล ง, งเป็นสิบที่แต่ว่าจะมีบ้านอยู่แค่ตอนนี้ที่มาสร้างก็จะเป็นคนกรุงเทพขึ้นมาสร้างก็จะมีอยู่แค่สามหลังอ่ามัคนค่อนข้างโดดเดียวนะเออถามว่าโดดเดียวไหมจริงจริงมันยังเป็นพื้นที่ชุมชนค่ะคือรอบรอบนอกอ่ะก็คือมีหมู่บ้านมีมีชาวบ้านอยู่ อยู่ล้อมรอ บ, อบมีวัดมีโรงเรียนมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นเขตเขตส่วนตัวก็คือคือไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเสียงรบกวนอะไรค่ะไม่มีเลยค่ะแต่ก็ก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนอยู่บนดอยอยู่บนเขาอ่ะค่ะพอตก็คือนก็จะเงียบสงบเลยไม่มีเสียงอะไรค่ะแต่ว่าหนูหนูก็มาอยู่ที่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําสร้างบ้านอะคะ่ะด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อย เป็นคนเป็นคนรวยๆอะค่ะหลวงพ่อหนูก็ขึ้นมานอนเฝ้าของเฝ้าพวกอ้อิดหินดินทรายค่ะเป็นเป็นผู้หญิงมานอนคนเดียวก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปลอดภัยแต่ว่าแต่ว่าอ ย, อย่างอื่นเนี้ยคนเขาก็แต่อื่นไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปกันแล้วกันบางหูไว้หูใครเขาพูดอะไรก็ไม่ต้องไปเชื่อเคาเราเห็หนูไม่ไม่ไม่เจ อ, อแต่ว่า มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกได้ว่าเ อ, อก็ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเหมือนเขาก็เหมือนมีคนดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ดีจุดทูบเทียนก่อนนอนแล้วกันก่อนเข้าบ้านก่อนพักแต่ละค้างจุดทูบเทียนคาววาเจ้าที่เข้าทางหน่อยก็ได้หนูหนูไม่ไม่ได้จุดทูบแต่ว่าหนูจะมีหิ้งผ้าหนูก็จะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเผาตลอดทุกครั้งอ่าดีแล้วก็ให้เกียรติกเจ้าของที่เ้าหน่อยอ่าหลวงพ่อพูดอย่านี้แสดงว่า เห็นได้ไหมคะเห็นเลยมีมล้วไอ้ที่อาจจะเป็นเทคนิคอะไรบางอย่างอะไรทางไมโครโฟนหรืออะไรอ่าใช่ค่ะแต่แต่ว่าหนูก็แต่ว่าก็ที่อยบอกหลวงพ่อคหนูก็เคยลองมานั่งสมาธิดูก็คือสบายใจค่ะไม่ไม่ได้มีมันรู้สึกมันรู้สึกได้ว่าถึงต่อให้มีก็คือไม่ไม่ได้น่ากลัวค่ะก็คือเป็นเป็นอะไรดีๆเป็นอะไรที่เขาของเขาอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ ไม่ไม่เห็นแต่ก็รู้สึกได้ว่าเขาก็คงไม่ได้มามาทำอันตรายเราเขาคงช่วยเหลือดูแลออก็หมายคม่าเราไม่มาเบียดเบียนใครนะเรามาขออยู่ปฏิบัติธรรมขอได้ปว่วยเมตตาไม่ได้มีเป็นเจตนาที่จะมาทำลายขค ร, ครส่งใครอข อ, อแบ่งที่อยู่ด้วยกันได้ วันนี้หนุงพ่อพูดให้หนูแล้วหวังว่าเขาคงจะได้ยินเจ้าค่ะอาจจะไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของไมโครโฟนหรือเสียงอะไรมันเข้ามา่แต่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งวันนี้หนูหนูหนูอยากเข้าซูมมากเลยเพราะหนูอยากอยากอยากร่างซูมกับหลวงพ่อที่บ้านหลังนี้ค่ะอยากให้อยากให้เขารับรู้ว่าเราเรามาเพื่อแบบเราอยากาปฏิบัติธรรมค่ะเรามาเรามาดีแล้วก็ตั้งใจดีอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าจะอยู่ก็อยอยากจะอยู่ด้วยความด้วยความสุขความสบายใจใชฮะอยู่ด้วยกันได้สเพชตาเอาเวลาหอนโตะส่วนบุตรแผเมตตาไปขอบพระคุณหลวงพ่อที่แนะนําเจ้าค่ะโอเคค่ะก็พยายามปฏิบัติเจ้าค่ะนั่งมาันนี้ก็นั่งจะอยู่กี่วันเดี๋ยววันที่สองก็กลับแล้วค่ะมาอยู่เก้าวัดค่ะค่ะ ยูนเดียวเลยวันนี้มาพ่อเรียกว่าเลยพ่อมาด้วยใช่ค่ะพ่อสาวหน่อยหนึ่งอ่ะรางงานมาค่ะแล้วก็เดี๋ยววันเกิดวันวันเสาร์อะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดก็เลยก็เลยช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสขึ้นมาที่มาลามาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญวันเกิดที่ที่บ้านเลยค่ะนี่นี่ลาเทีค่ะเดี๋ยวต้องใส่หรืต้องเดี๋ยวต้องไปย้อนฟังใน ใน Youtube ว่าม่กิมีใครทิ้นเสียงรั้ไหนีี่เข้ามาใหม่ใหม่ใช่ค่ะได้ค่ะหลวงพ่อหนูก็จะปฏิบัติดีมานี่ก็ที่เคยบอกหลวงพ่อค่ะถ้าถ้าถ้าจะไม่ขายบ้านหลังนี้หนูก็คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีความสงบมีความสบายแต่ว่าถ้าต้องหนูก็อยากขายขายทักหลังหนึ่งเพราะว่า อยากจะมีไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากมีภาลาค่ะถ้าไม่อยู่อยู่กรุงเทพแต่ถ้าต้องมีต้องมาอยู่ที่นี่ก็ก็อยู่ได้ค่ะโอเคดีค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะหน่าสมาธิทุกข์ค่ะโอเคสาธุสาธุาเจ้าค่ ะ, ะคุณสมชายเจ้าตอบน้อมใจอยู่ที่ไหนเอลยคุณเข้ามาข้างลา่าง เปิดไมค์ก็โฟได้อย่างอัะเปดใหม่เปิดอีกทีนึง่งบางกีเปิดได้แล้วมันเปิดมักดสองท้านเข้ามันเลยปิดกดที่เดิมโอเคใช้ได้นะพูดได้เลยแต่มัตร ก, การทำาัพ่ อ, อผมอยู่นผมก็เข้ามาทั้งแรกอยู่ไหนเลยอยู่ระยองครับทำงานอยู่ระยองอื ม, อ ม, อมตก็ใช่ครับอืม ก็น้องเอ่อโดยส่วนตัวผมไม่เคยเข้ามาแบบนี้เลยเป็นครั้งแรกที่เข้ามาฟังฟังท่าอาจารย์คุยกับลูกศิษย์แบบนี้ครั้งแรกก็งงๆเขาคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากผมเป็นคนไกลวัดครับผ่างวัดนานานแล้วฟังรู้เรื่องไหมก็ก็ก็พอฟังรู้บ้างครับเบรกขาบางตรงกลางอะไรก็พอพอจะรู้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเป็นคนที่ ใชชีวิตจับอในโลกแบบโลกโลกส่วนตัวมากกว่าไม่ค่อยจะใช้ชีวิตทางธรรมเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่ค่อยได้ไปปฏิบัติอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็บุญบายจากชีวิตส่วนตัวแต่เขารัวมากมากกว่าก็เลยมีโอกาสเข้า ม, มามได้ได้สัมผัสกับธรรมะบ้างใช่ใอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกสมได้ได้เข้ามาฟังคนนี้แล้วก็ แต่ครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรม Zoom ได้ก็เลยแบบไม่คองเท่าไหร่ไม่ไดรู้อะไรมากซึ่นเลยก็ไม่เคยไม่เคยคองกรณีน้องน้องมิสุยาเขาเขาเชิญมาเรามาฟังดูออผมจาได้ว่าเขาเชินผมมาตั้งตั้งหลายปีก่อนแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เข้ามาก็ลองเาาอาลองเข้ามาดูแล้วฝากน้องเอาลองเข้ามาฟังดูก็ก็ยังอยู่ในห้องอยู่เขายังอยู่เายังอยู่แบบยังเห็นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรคนที่เข้าม า, า, าเหมือนมาคุยมาแชร์ <c oughs> มาแชร์อะไรกันกลุ่ก็ก็ได้เหมือนเราไม่ไม่เคยไม่เคยมาสัมผัสอย่งนี้ยไม่เคยรู้ไม่เคยมีความรู้ก่อนการปฏิบัติการการใช้คิดหรือว่ากา้อะไรต่างๆซึ่งหลุงพ่อแม่จะสอนสอะไรเด็กคนใบที่ผมก็ก็ไม่ไม่เคยได้สัมผัสก็อย่างเดียวอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาแล้วก็ก็น่าจะได้เข้าน่าจะมีโอกาสได้ไปที่วัดมั้งถ้ามีโอกาสดี <c oughs> ผมผมไม่รู้ว่าเจอต้นต้นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไม่เคยได้แบบเข้ามาแบบนี้อะไรเลยหรือพอมีอะไแนะนำผมไหมครับก็เข้ามาบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมไปได้เลยอาทิตย์ละสองชั่วโมง mm hmm. ก็จะได้เรียนรู้อะไรแนละ้วอันไห น, น mm hmm. ไม่ไม่ไม่เข้าใจก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตต่อได้คาไหนที่เราไม่เข้าใจหรือถ้าไม่เข้าใจก็มาถามที่นี่ได้เวลาที่ถึงเวลาที่คุณจะตอบเวลาที่คุณจะพูดก็ถามอะไรก็ถามได้ ตอนนี้อยากจะทมอะไรไหมตอนนี้ผมไม่รู้จะถามอะไรครับอรู้สึกว่ารู้สึกตืกก่นเต้นนิดหนึ่งว่าออได้คุยกับพะอาจารย์เดี๋ยวก็จะคิดว่าคงมีโอกาสไปที่วัดเห็นวัด อ, อยู่ที่ไหนเฉลียวครับอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านพุนเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆบ้านฉางนบ้านฉางเมื่อไหร่ออกครับวันยานะสังวารางวัดกันี่สังวาครับ ทถวนี้ก็แถวบ้านชางก็มาทำบุญกันเยอะบ้านชางสัตหีบอยู่ใกล้ๆกสัตหีบ้านชางบางสเล่ ใ, ใกล้ใกพัทยาด้วยแถวแถวนี้อยู่อยู่ตร ง, งกลางเราผมะคะดคือกานอืมครับอืม โอเคถ้าได้ไงก็ทางวันดิสยาได้ดิสยาก็ส่งก็ส่งโอเคเช่นให้ได้ครับพอแล้วมีเด็กกับผมเดินไปแล้วที่วัดเขาคื อ, ค, อ, ค, อคือการไปต้องอย่างไงบ้างครับตัวผมก็ไม่เ อ, อว่าจะปกติตอนเช้าพาท่านเขาออกบินนบาตตอนเช้าหกโมงกลับมาที่สาลาก็ก็ญาติโยมก็ตามมาใส่บาตรที่สาราก็ได้ตอนประมาณแปดโมงถึงแล้วก็ เก้าโมงก็ฉันกันฐานเสร็ญานยอมก็ร่มรับประทานอาหารกันเแล้าก็หมดก็เลิกกันไปตอนเย็ยนทางวัดเขาก็จะมีลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนเช้าเย็ยนอันนี้ส่วนใหญ่จะสําหรับคนที่มาอยู่ปฏิบัติธรงคนที่มาใส่บาตรเขาก็จะมาแค่ตอนเช้าใส่บาตแล้วก็กลับบ้านไปบางวันถ้าเป็นวันพระก่อนจะใส่ก่อนจะฉันพระก็จะเทศให้ฟังเทศธรรมะให้ฟัง หรืท่านจะมาฟังที่หน้ากุฏิเราก็วันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระตอนบ่ายสองโมงก็มาฟังที่หน้ากุฏิได้ตอนบ่ายสองโมงก็มีมกิจกรรมแค่เนี้ยหน้ากุฏิก็มีเทศให้ฟังครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิต่ อ, อยครึ่งชั่วโมงนัม่มาธิครึ่งชั่วโมองอืม<า>อ่าให้คุณอิษยาเขาละให้ฟังก็ได้นะที่ได้ครับเพีงพอผมเบลกับผมว่าจะลงไปสักครั้งนึงเพราะผมก็ทางทางแบบ ห่างมานานห่างม า, างมากเลยออควรจะเข้าวัดบ้างเป็นชาวพุทธพระอาจารย์สอนให้มีวันพระไว้ให้ให้เข้ามาศึกษามาปฏิบัติของดีของวิเศษเป็นวิชาความรู้ที่เราต้องศึกษาและต้องนําเป็นปฏิบัติถึงจะได้ผลอโอเคนะมีอะไรไหมไม่ครับผมบกันอาจารย์อาเวไปที่สกุลสันนีตา อันนี้แม่หลับไห่ยังอันนี้ก็มาสายหน่อยอคุณแม่ขึ้นข้างบนแล้วค่ะศาตราจารย์กวันนี้ตอนนี้ถ <c oughs> อนขึ้นอยู่จะทำยังไงดียังตามรึเอ่ะตามซื้ออยู่ซื้ <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวกลัวมกตามอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อค่ะ เพอขึ้นสูงก็ไม่กล้าซื้ออ่มก็มันลงนะใช่ค่ะอาจารย์พอมันพอพอไม่ซื้อก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะแลเก็บของเก่าเยอะขายของเก่าท่านจาเปก็ขายของเก่าของเก่ามากินค่ะก็ยังถามว่าแล้วแม่จะซื้อแล้วขายเอาเงินไปทําอะไรก็แม่บอกอก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะ แต่ว่าอยากซื้ออยากอยากอยู่ในเทรนด์ค่ะก็เขาก็ต่อสู้กันอยู่ค่ะต่อสู้ในใจของตัวเองอยู่ว่าจะละจะเลิกแต่ก็อยากเล่นแต่ก็อยากเลิกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังต่อธรรมะกับอาธรรมยังต่อสู้กันอยู่ค่ะกลัวกลัวนะใช่ค่ะทั้งอยากไปทางธรรมทั้งอยากอยากอยากได้ลาบด้วยค่ะออ กอสู้กันไปจนกว่าไฟได้ลันชนะต้องใช่ค่ต้องสู้กันไปอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็หนูก็บางทีหนูก็เชร์ทั้งทำบางทีหนูก็แชร์ทางโลกค่ะเราคนแชร์แต่หนูเป็นคนเชร์เฉยๆบางทีก็แอบสลับค่ะแบบว่าก็แบบไม่ซื้อสักทีอะไรอย่างนี้แล้วก็บ่นทุกวัน อาจารย์คะมีคำถามค่ะอุเบกขานี่สามารถเกิดจากปัญญาได้ไหมคะนอกจากจากสมาธิไม่ได้หรอก ไ, ไ, ไม่ได้ก็ไม่เชยงหมเยแต่ว่าปัญญาต้องต้องสามารถตัดความอยากให้ได้แต่สมัยเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เนี้ย เราก็จะได้เลิอกอยากได้อย่างเล่ น, เ ล, น, เ, ลนเล่นทองคํำนี่เป็นทุกข์นี่เราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เราก็ยังอยากอยู่ถ้าอะไรแล้มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แล้วเราตัดความอยากนี้ได้ใจเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ได้วยปัญญาแต่ถ้าเห็นว่า <dipl> ถ้าเห็นว่ามันทุกข์แต่ก็ยังอยากอยู่ก็แสดงว่าปัญญาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ค่ะแต่ยังไงก็คือถ้าปัญญาที่สามารถที่สามารถตัดอันนั้นก็คือยังไงก็ต้องอาศัยสมาธิอยู่ดีใช่ไหมคะต้องใช้กําลังของตสมาธิมันก็ถ้ามีกําลังสมาธิมันก็จะ ง, ง่ายกว่าว่าอย่างั้นดีกว่าถ้าไม่มีมันก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังอยากอยู่บางนคนรู้ว่าสูบบุหรี่เป็นทุกข์ก็ยังอดจะสูบไม่ได้อันนี้แสดงว่ปัญญาไม่มีกําลังพอที่จะทําให้มันเลิกบุหรี่ได้ ถ้ามีอุเบกขาเนี่ยมันก็พอรู้ว่าบรรเทาปุ๊บ ก, ก็เลิกได้เลยหยุดได้เลยถ้ามีอุเบกขาอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์อีกคําถามนึงค่ะพระอาจารย์ว่ามาค่ะ อ, อในตอนเนี้ค่ะที่โลกเริ่มจะวุ่นวายมากขึ้นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมให้ดีที่สุดก็คือใจของเราต้อง เตรียมให้มีอุเบกขามากที่สุดใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วต้องมีปัญญาด้วยปัญญาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่หนีความเกิดแก่เจ็บตายหรอกมันก็มีเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยอยู่เราจะจะลานเสื่อมเราก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเนียมโจทย์เก่าของเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราต้องพยายามทำจดนี้ให้ได้เราก็จะได้สบายใจเล้วต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ เราก็จะสามารถรับเร่าก็เหตุการณ์ต่างๆได้เร็วไล่ขนาดไหนเราก็รับได้เพราะว่ามันอยู่ในกรอบของความความแก่เจ็บตายนี้นั่นเองมันไม่ได้เปเปลี่ยนให้ความแก่เจ็บตายหายไปโลกจะเจริญนึนจะเสริมมันก็ไม่ได้มาทำให้ความแก่ความเจ็บความตายหายไปเหมนถ้าเราอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้เราก็ไม่เหนือน้องกับการจเจริญนึกเสริมของโลกไปเข้าใจไหย เป็นประเด็นล่ะประเด็นหลักนะครัอ า, าจารย์โจทย์หลักก็คือข้อสอบหลักก็คือความเกิดแก่เจ็บตายในส่วนโลกจะเจริญโรคจะเสื่อมสงความโลกจะเกิดนิเโรบอร์ดนิเคลเียจะเข้ามาอันนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโจทย์ของเราเราก็ต้องตายอยู่ดีเหมือนกันยังถ้าเราทําโจทย์ข้อนี้ได้แล้ ว, ว, วร เ, ลเราก็ไม่ไม่ไม่หวั่นไหวกับโจทย์ข้ออื่นเราก็ไม่หวั่นไหวกับการจะ โลกจะเลวร้ายลงไปขนาดกว่านี้ขนาดไหนแล้วก็ไม่ เ, เดือดร้อนเพราะมันก็อยู่ในกรอบของความเกะความตายเท่านั้นเองที่เราที่เราอยอมรับได้ยล้วเราต้องอยไปกังวลกับเรื่องของความเลวร้ายของโลกมากจนเกินไปกังวลกับข้อสอบของเราที่เราต้องทำว่าเราสามารถผ่านความเจ็บความตายได้หรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายาม ผานข้อสอบนี้ให้ได้ค่ะพยายามทําข้อสอบสองข้อนี้ให้ได้ความเจ็บกับความตายคัามเจ็บไข้ได้ป่วยความตายถ้าเราอยอมรับความจริงนี้ได้นะโลกมันก็ไม่มันก็จะไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงให้ให้โจทย์ขวงเรานี่หรอกมันก็เราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องเจ็บต้องตายอย่างเดียวมันก็จะไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมคะใช่ไม่น่ากลัวเลยเราจะเรลวร้ายไปขนาดไห น, นมันก็ อย่างมากมันก็ทําให้เราเจ็บให้เราตายเท่านี้ซึ่งเราก็ยอมรับได้อยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพระอาจารย์แต่ไปลงไปเรียนพยายามไปแก้ทางเรื่งงงองโลกวุ่นวายนั่นเริมาแก้โจทย์สําคัญก็คือความเจ็บความตายค่ะพระอาจารย์ข้อสอบที่สําคัญก็คือความเจ็บความตายถ้าทำสองข้อนี้ได้แล้วมันก็รับกับทุกข้อได้หมด ถ้าทำสองข้อนี้ไม่ได้ไปรับไปทําโจทย์ข้ออื่นได้มันก็ยังสอบตกอยู่ดีถ้ามันเจอความเจ็บความตายถูกไหมถูกค่ะอ่านะจะพยายามให้ได้ครับก็สอบสองข้อนี้ให้ได้จะได้เป็นโสดาบันได้โสดาบันก็ไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายเมื่อไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็ไม่ไม่กลัวเรื่องเสื่อมของโลกเรื่องการพัดท่าจากกันและกันต่าง น้องจิ๊บจ่อยนั่งมาทำ ข, ข้อสอบใหญ่ได้นะได้คะ่ะพระอาจารย์หนูจะเตรียมพร้อมทำข้อสอบสองข้อนี้อย่างเต็มที่ค่ะโอเคดีขอบคุณค่ะอาจารย์โอเครู้สึกคนที่เข้ามาหมดแล้วใช่ไหมคนที่เดี๋ยวดูพี่อีกคนหนึ่งน้องเอิงอน้องเอิ การนมัสการค่ะพอาจารย์ครับวันนี้พาพี่บุ๋มมากับอยู่ที่ไหนกันตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ออวันนี้พี่เรื่องค่ะเดี๋ยวจะรีบพูดนะคะพอดีเพิ่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติวิเวกมาค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้แล้วที่นี้นะคะได้เจอเขาเรียกว่าสภาวะหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็อยากจะมาสอบถามพระอาจารย์ด้วย คือสภาวะที่เอิงเจอเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เอิงอเดินจงกรมค่ะพระอาจารย์แล้วเราอ่ะดินไปอยู่ในจุดที่เ อ, อมีความคิดใช่ไหมคะแล้วความคิดมันก็ดับเราก็ได้เห็นแต่ว่าต้องบอกว่ามันใช้ช่วงเวลาถึงเจ็ดวันหรือแปดวันนะคะในการเห็นอแล้วก็อีกข้างหนึ่งอะค่ะในขณะที่เราเดินไปด้วยนะเดินจงกรมอะคะ่ะเราเห็นแล้วเพราะความคิดมันก็ดับของมันเองแล้วฝั่งที่มันมีรูป เสียงกินรถมากระทบเนี่ยมันก็ดับเองคือเราเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก่อนที่เอิงจะปฏิบัติเข้มอ่ะเอิงรู้สึกว่าเราต้องไปพยายามดับมันแล้วทีนี้แบบมันเห็นจริงๆว่ามันดับเองทั้งสองอย่างทั้งความคิดแล้วก็สิ่งที่มากระทบรูปรถกินเสียงค่ะมันดับของมันเองโดยที่เอิงไม่ต้องไปทําอะไรเรามันมีจุดหนึ่งที่เราออกจากทางจงโรงมอะค่ะพระเจ้าสุชาติเอิงก็เหมือนแบบ เหมือนมันอยู่ในสภาวะที่เหมือนแบบเห็นเฉยๆแล้วมันไม่ได้ไปตอบโต้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงเห็นความคิดมันก็ทำํำนั้นปดผ่านไปอะไรแบบเบี้ยขาไงค่ะเห็นเสียงมากระทบเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเดี๋ยวมันก็ดับไปใช่เอ อ, าอาวางเฉยเฉยเฉยไปค่ะแล้วที่ได้ยินเสียงผีเข้ามาก็เฉยไปไม่ต้องไปตอบโต้ไปโดนอะไรยิ่งผีเข้ามาก็เฉยไปเหมือนเหมือนก่อนนั้นนั้น ก็เลยรู้ว่าที่ตัวเองทุกเนี่ยเพราะเราไปยุ่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอบโต้ไปอารมณ์ของมันเราประเด็นหนึงก็คือเองอ่ะมีหนังสือเล่มนึงของพระอาจารย์สองเล่มอะค่ะที่เรียกว่าธาตุรู้อืเราเออรู้สึกว่าตอนนั้นเอองไม่เคยเข้าใจเพราะว่าเออรไม่ได้ปฏิบัติแล้ววันนี้เอองก็เลยแบบว่ารู้สึกดีใจที่พระอาจารย์พูดเรื่องนี้ก็เลยก็เลยกลับมาอ่านเพราะว่าได้ปฏิบัติแล้วได้เจอสภาวะนี้แต่ว่าไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ประมาทนะเขาว่าตัวเองจะอยู่กับสบภาวะนี้ตลอดก็จะลองดูไปเรื่อยๆค่ะพรอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งก็คือได้ได้ไปเจอสภาวะที่พระอาจารย์ได้เอ่อได้ได้พูดว่ามันคือธาตุรู้เพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันจะไม่โต้อตอบอะไรใช่ถ้ามันสงบถ้ามันมีอุเบกขามันก็จะวางเฉยถ้ามันไม่มีอุเบกขามันก็จะมีตัวตนออกมาตอบใครชมเราก็ยิ้มใครด่าเราก็เสียใจ งา น, นคือวิาวชาพอมีปรรัญญามีสมาธิมันก็เฉ ย, ยก็เลยรู้เคล็ดลับไม่รู้ว่เคล็ดลับของโลกที่หลวงพระเจ้าเสือชาตบอว่าว่าทครับหลวงพ่ต้องพยายามทำบ่อยๆไม่ใช่ทำหนเดียวเดี๋ยวก็ลืมได้เราทำให้มันปรากฏอยู่เรื่อยๆตอนนี้มันเป็นเห็นเป็นห น, นังตัวอย่างเท่านั้นเองท่านต่อไปต้องเห็นอยู่บ่อยๆเห็นตลอดเวลาเลยเห็นใครก็เฉย เห็นอะไรก็เฉยเห็นขนมก็เฉยเห็นของที่เราเคยรักเคยชอบก็เฉยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะคำว่าธาตุรู้อ่ะในภาษาอังกฤษที่พระอาจารย์ใช้อธิบายพระอาจารย์ใช้คำว่าอะไรเหรอคะ Knowing element Knowing Knowing element ก็ธาตุเนีเพราะว่าคำว่าธาตุรู้ของเอิงคือมันรู้ทั้งสองมันรู้ทั้งหมดแต่มันไม่ทาอะไรฉช่ แ ส, สดงว่าท่านรู้ตอนนั้นมีอยู่เบกขาท่านรู้อยู่ในความสงบแต่ถ้าเอาจากความสงบมาอย่างตอนนี้เห็นนไยก็ยังไม่ไม่รู้เฉยๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแล้วก็อยากขึ้นมาแล้วใช่ไหอยากได้แล้วไม่อยากได้ขึ้นมาต้องต้องทําให้มันเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกมาจากสมาธิก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องรู้เฉยๆไปตลอด ไม่ยินดีร้ายไม่ดีใจเสียใจกับอะไรไม่รักไม่ชังไม่โกลัไม่หลงนะหมดแล้วยังคำถามอาจารย์สุชาติขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เอื้องเพราะว่าคนสุดท้ายเลยไม่เวลาภูมิมันมีอะไรไหมภูมอ๋อนี่หนึ่งครับอาจารย์ครับก็คือพรุ่งนี้พรอมคือมันผ่านจุดที่ว่ามันมันไม่มีอะไรตั้งมั่นครับก็เลยมาสวดมนต์ภาวนามากขึ้นแล้วตอนที่เรารู้ตัวว่ามันไม่ค่อยมีที่ตั้งอะ มันใจมันชอบภาวนาเองแบบสวดมนต์ของมันเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมมีที่บาซีมีที่บาซีใช่ครับมันมันสามารถหยุดตัวเองได้ครับแบบไม่ทำงานได้นี่ครับพ่าครับพยายาม<พ>ปาามฏิบัติไปเรื่อยๆยังก็จะสําเร็จนะใช่ครับหลวงพ่อครับ เ, เดี๋ยวทำต่อไปครับอาาครับอ่าทีนี้ก็มาเทศกุลหนาต่อหนาต้องมีกี่คาถามกันนี้ กลับในมรส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามจากทางเฟ e b ุ๊ k ค่ะอ่าเชิญถามได้เลยกลับนมส ก, การพระอาจารย์ครับผมบริจาคเงินเพื่อทำที่อยู่ให้พระป่าได้มีที่พักภาวนามาทราบว่ามีการตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อมาสร้างผมรู้สึกไม่สบายใจอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำครับออ เรื ane, en, weights, you ่องการบริจากของเรากับเรื่องครเรื่องการกระทำของเขามันไม่เกี่ยวกับเราเข้าใจไหมเขาอาจจะมีเหตุผลที่ทําได้ก็ได้การตัดต้นไม้ไม่ใช่ไหมเขาจะไม่ตัดจะต้องไม่ตัดเลยบางครั้งบางคนเขามันก็ตัดได้ถ้ามันมีเหตุมีผลพอซึ่งเขาอาจจะมีเหตุมีผลว่าอาจจะต้องตัดตรงนั้นเพราะเขาต้องการจะสร้างกุติขึ้นมาเพมันก็ต้องไปที่สร้างกุติแล้วพอดีมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นเขาก็ตัดแล้วก็เอามาใช้ทํากุติไปในตัวก็ได้ เดี๋มันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายหรือว่าตัดต้นไม้แล้วจะเป็นการทําลายธรรมชาติต้นเดียวไม่ได้ทําลายธรรมชาติหรอกมันต้องเป็นร้อยต้นพันต้นอย่างบริษัทที่เข้ามาเอา่อมามาตัดอย่างนั้นนี่กัเรื่องอย่านี้ก็อย่าไปตื่นเต้นตนกตกใจหรือถ้าอยากจะทราบอะไรก็ลองไปถามข้อมูลก็ดูว่าทําไมถึงต้องตัดต้นไม้ด้วยสาเหตุเพราะอะไร คำถามต่อไปการเลี้ยงดูผู้มีพระคุณโดยนําอาหารขนมมาให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารบางอย่างท่านชอบแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ผมควรหยุดการให้ขนมหรืออาหารที่ท่านชอบแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์นั้นไหมครับไม่ต้องหรอกถ้าไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นอันตรายก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราให้เราต้องการให้ท่านมีความสุขเลี้ยงคนต้องเลี้ยงให้เขามีความสุข อย่าไป ย, า ย, ยัดให้เราของโอยอันนี้ดีแต่กินไม่น่ากินเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะกินนั้นปล่อยให้คนที่เขาเขากินให้เขาเลยเขกินเขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกันอย่ไปให้อย่างสิ่งที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายถ้าอย่าไปให้ยาเสพติดอย่าไปให้สุรายาเม่าของเหล่า น, นี้แต่ถ้าเป็นของธรรมดาทั่วไปที่อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่ไม่มีประโยชน์บ้างอันนี้ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกัน คำถามต่อไปการทำทานที่คนคนนั้นสามารถทำได้จะมีวันที่เขาควรหยุดให้ทานไหมครับก็ไม่มีเมื่อไม่มีเงินหนือก็ก็ต้องหยุดยถ้ายังมีก็ทำไปเรื่อยๆถ้ายังมีกําลังทำก็ทำไปถ้าไม่มีกําลังทำก็หยุดทำนั่นเองคำถามต่อไปสมัยก่อนผมทำสมาธิเข้าสงบได้ดีครับ แต่ปัจจุบันมีความเสื่อมทางร่างกายทำให้มีเวทนามารบกวนการเข้าสมาธิขอพระอาจารย์แนะนาว่าควรกำหนดอย่างไรเพื่อให้จิตฝ่าฟันเวทนาเหล่านั้นแล้วเข้าสมาธิไปสงบได้ครับก็ต้องมีสติให้มากขึ้นนะเนี่ยพยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นให้นานขึ้นแล้เวลานั่งสมาธิมันก็จะผ่านการเจ็บได้ คำถามต่อไปจากคุณสุลศักด์เรียนถามครับการทามาหากินไม่ได้ดังสมตามปรารถนามันเกิดจากกรรมเก่าไหมครับไม่แน่นอนละเพราะมีเหตุปัจจัยหลายด้านวยกานไม่ใช่เฉพาะกรรมเก่าอย่างเดียวจังหวะเอย อ, อะไรเอยเศรษฐกิจแล้วอะไรเอยต่างๆมันมันมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าไปอย่างเดียว คำถามสุดท้ายจากคุณทีคาธนาเมื่อก่อนทำสมาธิได้ง่ายมากคือบริกรรมพุทโธไม่เกินห้านาทีจิตก็สามารถเข้ารวมเป็นสมาธิได้โดยง่ายและทำครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันละสองถึงสามเวลาแต่ปัจจุบันที่ป่วยแล้วผ่าตัดมาทำให้นั่งไม่ได้ดีและเวลาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ขาด แต่ได้แค่วันละประมาณไม่เกินชั่วโมงแบบนี้ทำให้สมาธิเสื่อมใหม่เจ้าคะก็สังเกตดูเอาถ้ายังเข้าได้อยู่ก็ไม่เสื่อมคำถามหมดแล้วเจ้าคะ่ะโอเคก็เวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ